จเจริพท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ไฟธรรมทุกทุกท่า น, านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาส น, าทา น, ทา น, านทานาธรรมถามตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติทานศีลภาวน า, านำหนับคำคำสอนของพระพุทธเจ้า วันนี้เราก็จะเริ่มกับพวกเด็กๆก่อนนะผู้ใหญ่ก็นอนเดียวนะให้เด็กๆไปแย่นเด็กจะนั้ไปหลับนอนกะันวันนี้เอาจาวแมกับแชทที่ก่อนครับกราบธรรมะการพระอาจารย์ครับเป็นยังไงบ้างนั่งสมาธิทุกกันครับได้กี่นาที 20สินาทีกว่าๆค่สะสติดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นอยู่ครับระหว่างวันปรสติไปเรื่อยๆบ้างหรเปล่าส่วนใหญ่ไม่มีสติครับช่องเวลาเรียนครับก็ให้มีสติอยู่กับการเงงรียนไงทำอะไร็ให้มีสติอยู่งา น, นที่เราทำอยู่อย่าให้ใจไปที่อื่นอย่าให้ไปที่บ้านที่แม่ที่พ่อ หน้าที่เกงหน้าที่อะไรให้อยู่อรงงานที่เรากำลังทําอยู่ได้งา่ายไม่ยาก น, นี่คือวิธีฝึกสติในชีวิตประจําวันค่ะนะหึือจะใช้พุทโธไวก็ได้ถ้ามันถ้าไม่อยู่มันจะไปนูน่ตอนนี้ก็ใช้พุทโธพุทโธเดินกลับมาครับ น, นโอเควันนี้จะส่งกันบ้านหรือเป่าส่งครับการบ้านม า, มา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 เราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันนั่งกายของเรามีอะไรบ้างผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกในกระดูกม้ามหัวใจตับขมผื่นไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเลี้ยงในสมองสี่สัตว์น้ำดีน้ำเฉลดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเนี้ย น้ำม้นน้ำตาน้เดี่มน้ไข่ข้าวนาูดน้ำไข่ข้าวนาบกนปลามเหลวน้ำตาลข้นน้ำเนี่ยน้ำเดือดเติมเสลิมเดน้ำดีเยื่อในสมองศีรษะอาหารเก่าอาหารใส่ไส้น้อยใส่ใหญ่ปอด ตาเล็หางผดตาหัวใจม้ามเย็นในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเล็บขนผมเห็นภาพข้างในบ้างไหมเห็นภาพิดเอาไว้เห็นคองกระดูกเห็นอะไรบ้างไหมเคยดูภาพไหมก็เคยตอนถ้าเกิดดูภาพจากเน็ตก็ยังไม่กล้าดูแบบของคนจริงๆครับ เป็นของภาควาดาไม่เละไม่ค่ะที่พระอาจารย์ส่งลิงก์มาค่ะหนูดูแล้วแล้วหนูถามเขาว่าจะดูกันไห ม, มเขาบอกว่ายังไม่พร้อมอทําไมละ่ะของมันอยู่ในตัวเราไม่ใช่เราอยู่กับมันมาตั้แต่เกิดเราไปโกมเป็นธรรมไม่กล้ามองหน้ามันตอนนี้มันก็อยู่ในร่างกายเราไม่ใช่เล ที่ทำมาทั้าอดิจิัลวาร์การ น, นี่ใช่ค่ะอราไม่กลัวผมเราไม่กลัวผนไม่กลัวแร็ไม่ ก, มม ก, มมกลักวฟันไม่ใ่กลัวไหมภายนอกไม่กลัวครับข้างในมันน่ากลัวตรงไหนอ่ะไม่ต้องหมกันก็เริภาพดูง่ายๆก่อนเลยแม่ เ, เริ่มภาพเป็นของรร ป, ประดุบดูภาพของประดุบ ก, ก่อนไม่ไ ลองกรดดดูได้ไหมดูได้ครับอต้องทำใจพุทโธพุทโธเราจะดูต้องต้องพุทโธพุทโธพุทโธทใจให้นิ่ง<อ> <c oughs> ค่ะค่อยๆดูทีละนิดน e ิดหน่อยถ้ายังไม่ฟังว<อ>่าถ้ายังไม่ฟั<อ>งาอย่าดูเดี๋ยวจะเดีย๋ยวจะเสียสติได้ <c oughs> อันนี้ต้องเป็นความสมัคใจเป็นความพร้อมนะต้องรู้ร <c oughs> จกักยาางทีมันแรงถ้ากินเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันแพ้แพ้ยาได้ครับ <c oughs> <c oughs> ถ้ายังไม่พร้อมวันหยาดก็ไปดูนะพ <c oughs> <c oughs> ยายามฝึกสติฝึกสมาธิทำใจให้แิ่งๆน่นก่อน <c oughs> โอเคมีอะไรไหมพันดี้จะรายงานการนั่งสมาธิอ่าเป็นยังไงบ้างก็คือตอนที่นั่งสมาธิครับตอนแรกๆสงบครับแต่พอหลังๆมาจะมีความคิดเยอะมากเลยครับแต่ก็พยายามไม่สนใจครับเราต้องเราต้องเราใช้เวลาเรานั่งนะพุทโธครับก็ต้องพยายามพุทโธไปอย่าหยุดเลยนะ แต่ไม่อยากจกลับไปก็สู้ใช้พุทโสู้ไมันจะน ก, จะจะกจะิดอะไรกับ<ะ>พุโทโธุทโธพุโทพโธอย่าไ่สนใจความคิดนะอย่าไปฟังมันอย่าไปฟังมัน <c oughs> ให้สนใจว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปนะต้องพยายามบังคับนะบังคับจิตสติบังคับใจให้อยู่กับพุทโทพุทมุโทโธเล<ะ>ยจนกว่าจะหดเวลาอย่านั่งเฉยๆนะ ถ้าไม่ใช่เดี๋ยวความคเข้ามาดูนะโเคนะโอเุโธช้าบักขุดโธเดยวมันก็เลยสลับกันไปุโถุดโุโนุโุโถลดดนี่ก็ได้แต่แต่ต้องนั่าไม่มีขุดโถเยอะเะอย่าปล่อยขุดโ ทางฝ่ายมุทรแลเดียวมุจเนะจตบัรจารย์นนะเจตบัรจะสร้างอะไรมาหลอกมาได้นะถ้ามีอะไรโผล่ขึ้นมาเราอย่าไปสนใจอย่าอยู่กับมุทโตมุทโแไปใด่ครับไม่ครับโอเคมีทานีีนะวันนี้ พยายามทำเรื่อยๆอย่าทิ้งน่ายนะคะค <Okay. S 2> รับมบาคุณพระอาจารย์ครับไปที่คุณหมอพี่เช้งกับนิม <c oughs> ิการพระอาจารย์ครับของความเมตตาอาจารย์ได้อธิบายอัตราตัวตนครับและอัตราตัวตนนี้กับมานะในสังโยชน์ที่เป็นอันเดียวกันไหมครับอาจารย์มันก็เป็นพี่เป็นน้องกนะัน ตามตัวตนก็ถือว่ามีตนมีเราโสดนานะก็ถือว่าเราเด่นกว่าเขาได้กว่าเขาหมือเท่ากันก็อนตอนก็มีตัวตนก่บนมีเราก่อนพอมีเราแล้วทีนี้ก็มีมานะตามมาให้เราเราเหนือเขานะ้ะเราเก่งกับเขาเราดีกว่าเขาเขาเขาเลวกว่าเราอะไรด า, ไดานงไปด่ามาทั้งวันเนี่ยเพราะเพราะมานะ ความจริงมันเป็นเรื่องของความหลงผลิตขึ้นมาความจริงแล้นไม่มีอะไรเป็นมีเป็นตัวเป็นตนนะไม่กับคนสมัยโบราณที่เป็นหลงคิดว่าโลกนี้แบนเป็นความหลงนีแล้ว่็เชื่อเชื่อในความหลงตนจนมีนักวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ให้เห็นว่ามันไม่ก็มันไม่แบนเป็นกลมอันนี้ก็เหมืการพระอุตตรเจ้ามาพิสูจน์ยว่า ร่างกายเรานี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีตัวเราใจเราก็ไม่มีตัวเราความคิดก็ไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกก็ไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวเอทต่เราไปความหลงมันมาหลอกให้เราคิดว่ามันเป็นร่างกายเป็นเราเวทนาความรู้สึกเป็นเราเรารู้สึกเจ็บเรารู้สึกสุขเรารู้สึกมีเราสุขเราเจ็บ เราคิดมันไม่มีใครไม่มีเราคิดมันเป็นความคิดมันเหมือนกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเช่นเม่ ม, น, มนท้องฟ้านึงมันมีตัวตนไหยไม่มีตัวตนนมที่บมันมีตัวตนไ้ยไม่มีตัวตนปลาแลบปลาลองไม่มีตัวตนเลยไม่มีตัวตนเนียมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินางกายเราก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ปัจจาัการผสมปูกแต่งของธานสี่กินน้ำลมไฟก็จะทำให้เกิดมีอาการสาริสสองแล้วก็มีธาตุรู้คือใจมาปลุกมาเชื่อมมาเชื่อมมาเชื่อมติดกับตาของเจ้าหนุ่มตื่นกายก็ื่อรับรูปเสียงกลิ่นรแล้วก็ไปคิดว่าเราเห็นรูปเราได้ยินเสียงใจก็ไปคิดว่าใจมีมีเรามีตัวเรา ควมีใจก็เป็นเพียงผู้รู้สวนนนะ่วนวิณเวทนาสัญญาสังขารก็เป็นปรากฏการทางใจในใจหรือความรู้สึกรู้สึกสสึกทุกความคิดสังขารก็คือความคิดแต่สั ญ, ญญาก็คือความจำได้หลายรูปวี ญ, ญ, ญาณก็คือตัวที่ไปรับรูปเสียงกลิ่นรสที่ตามจมูกยื่กายมันเป็น มันเป็นการทํางานของธรรมชาตินธรรมชาติมีมีความสามารถของมันในตัวของมันเองแล้วมันก็มามันก็ทําหน้าที่ของมันไปตามความหลมตามความอยากใจนี้่เป็นตัวปัญหาใจเกิดความหลมเกิดความอยากนลงว่าความศพนี้ต้องไปหาจาก สิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้คือโลกประทับสีร่างยสดสรรเสริญศพศพทำตาขนฉนบยิ้มกายทํารูปเสียงกลิ่นรสจะหาสิ่งอะไรได้ก็ต้องมีร่างกายใจก็เลยไปเลยไปรอรับร่างกายจากพ่อแม่คนใหม่ขอพ่อแม่คนใหม่ตั้งครันใจก็ส่งกระแสวิญญาณไปเกาะที่ร่างกาย อะไรปีเกิดปรฏิสุทธิขึ้นมาแล้วก็พอน้ำกายโตออกมาจากเท้องแม่ก็ใช้ร่างกายนี้พาไปหาคว า, ามสุขต่างๆจนแก่เจียจตายไปนในที่สุดแล้วก็มาทุกข์กับร่างกายเพราะเลยผมคิดว่าตอนเองเป็นร่างกายพอล่างกายเป็นอะไรที่ว่าตอนเองเป็นเป็นละเป็นไปกับร่างกายความจริงใจไม่ได้ไปได้ไปกับร่างกาย ร่างกายมันก็เป็นเหมือนต้นไม้ที่เราไปซื้อมาต้นหนึ่งเรามาปลูกแต่มันก็โตเอาดอกออกผลแต่ววันหนึ่งมันก็ตายไปเราก็ไม่ได้ไปตายเหมือนกันเชนเจ้าคนที่ปลูกต้นไม้ใจก็เป็นคนเหมือนกับคนที่มามาครอบครองร่างกายแต่ใจไปหลงคิดว่นใจร่างกายเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นใจเป็นตัวเราเพราะ ก็ใจคิดว่ามันใจเป็นเราใจทุกการหลงหลอให้คิดว่าใจเป็นเราเรอให้หลงคิดว่าความคิดเราคิดใจเป็นเราเป็นผู้คิดความ ร, รู้สึกเราเป็นผู้ความที่มันไม่มีไม่มีใครรับความรู้สึกไม่มีใครการไม่ไม่มีใครคิดไม่มีมันเป็นปรากฏการณ์เหมือนกับฟ้าแลบมุตกแดดออกนี้นั่น มีเพราะความหลงมนเลยทําให้ไปยึดไปติดกับร่างกายแล้วไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆที่ได้หามาได้เป็นรายยศชัตสังหน้ารูปสีกลิ่นรสต่างๆมายึดแล้วก็ต้องทูกเพราะของเหล่านี้มันเป็นของชั่วคราวมนได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องมีวันสิ้นสุดหรพอมันจากไปก็เศร้าโศกเสียใจแล้วกหอมนอกอายปัญหาของใจก็คือความหลง ที่ไปยึนไปติดไปอยากกับของที่ไม่เที่ยมเราอยากให้มันเที่ยมเอาไม่เที่ยมมันเอามันเสื่อมก็เลยทุกข์ใจต้องแก้ปัญหาตัวที่ตัวเนี้ยที่ตัวที่ทุกข์ใจเนี้ยการให้เห็พิจารณาให้ดูล่างกายมันไม่มีตัว ต, วตวนทํามันทำมาจากนิ่งน้ำลงไปมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใจมันจะต้องแก่ติดใจ ใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายเป็นตัวอย่างแล้วก็อย่าไปอยากจากสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปเวลาหมดไปก็เสียใจทุกใจให้มาหาความสุขในใจดีกว่าความสุขที่มาจากความสมองเพราะจะอยู่กับใจไปตลอดไม่มีมันจากใจไปเป็นวิธีหาความสุข เพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปยืนไปติดครับโลกกับธรรมรามยนนึดสนิทสนิทไม่ต้องไปยึดติดกับร่างกายไม่ต้องใจร่างกาย <c oughs> <c oughs> แล้วพอปล่อยร่างกายได้ก็มาดูใจเราพิจารณาใจใจิงเนี่ยไอ้ตัวคิด้เราคิดแล้ว เ, เราคิดว่าตัวเราอยู่ตรงไหนไมันมีแต่ความคิดน่มันมีแต่ความจำํำ ต, ตัวเราเไม่มีเวลาเราหยุดคิดหยุดอะไรตัวเรามันก็หายไปมันก็หายไปด้วยเหลืแต่ตัวรู้เวลานั่งสมาธิจิตรวมเป็นสมาธินี่ก็เลือแต่ตัวรู้สักก็ว่ารู้อิจฉาสัญญาสากายวิญญาณก็หายไปตัวเราก็หายไปไปก็ ก็เลยรู้ว่ามันเกิดจากความคิดของเราเองความคิดเราไปเราไปหลงคิดว่ามีเราขึ้นมามีตัวเราขึ้นมาไปพิจารณาว่าในจิตจะไม่มีตัวเราในมีทุก อ, อย่างเป็นอนัตตาจิตต์สะเพธมานาตตาพอมีเราก็าอยากจะปควบคุมความคิดของเราอยากจะอยากจะ ควบคุมเวทนาความรู้สึกควบคุมไม่ได้เของพวกนี้มันเป็นสภาวะธรรมชาติมนดินทราอากาศไม่ควบคุมไม่ได้ก็ต้องสอนใจว่าให้เข้าใจแล้วก็อย่าไปควบคุมมันอ่านรับรู้มันไปตามความเป็นจริงของมันแต่บางสิ่งบางอย่างเราควบคุมได้เราควบคุมไปเช่นความคิดนี้เราคุมได้มีสติใช้มีสติ แล้วมันคิดไปในทางความหลงก็หยุดมันให้มันคิดไปทางความเป็นจริงนี่ว่าไม่มีไม่มีอะไรเป็นตัวเราของเราถ้ามันจะคิดไปทางตัวเราของเราว่า้เราก็ต้องสอนมันให้มันคิดใหม่ให้มันจําใหม่ให้มันจําว่ามืนก็จําคนที่โบราณจําจํำมะลุ่งที้แบนให้เปลี่ยนเหมืนให้จําว่าโ่งที่โก่งเป็นความจําห อันนี้นก็เปลี่ยนมาให้มาเกลีความจำในใจว่าไม่มีอะไรมันเราไม่มีตัวเราเป็นแค่ความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นตัทำอยู่แล้วดับไปถ้าเข้าใจธรรมาชาติวไม่มีเราทุกอย่างใจก็เฉยๆไปกับภาวะเหตุการที่เกิดขึ้นในใจอารมณ์ต่างๆความรู้สึกนึกคิดอะไรต่างๆก็รู้ว่าเป็นภาวะเหมือนกับท้องฟ้าที่บางวันก็มีไม่ ม, มีฝน ม, ม, มีหมอก มีควันมีอะไรมางวัลก็โปร่งใสใจแล้วก็เหมือนท้าฟ้านี่มางวัลก็โปร่งใสรางวักลก็นุออมคลื่นนะแบบนี้นะครับรู้ว่ามันเป็นอนิจจทุกข์ขับนักตาดไม่ต้องไปจัดการมันรู้แล้วก็ปล่อยมันเฉยเไยกันถ้ารู้แล้วก็มันจะไม่ทุกข์กับอะไรถ้าปล่อยวางได้ก็ไม่ทุกข์กับอะไ เพราะไม่ไม่มีความอยากไปบังคับไปควบคุมเขาอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้อยู่กับเขาไปทุกขเวทนาก็อยู่ไปทุกขเวทนาก็อยู่ไปเหมนฝนตกก็อยู่กับมันไปฝนแรงก็อยู่มันไปทําอะไรไม่ได้เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติได้ก็จะไม่ทุกขเวทนา ใจที่ไม่ทุกข์กับอะไรก็เป็นใจที่เป็นนิพพานสภาวะใจที่ไม่มีความทุกง์ก็เรียกว่านิพพานนะก็ไม่มีความอยากที่จะไปยุ่งกับอะไรก็ไม่ไปเกิดอีกต่อไปอนะันี้ก็คือถ้าเข้าใจคําว่านัตตาทุกอย่างเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ แต่ความหลบมันมาปรุงแต่งว่าเกิดจากพระเจ้าสร้างโลกจากความเมื่อเยซูมาถ่ายโลกไทยบาสนี่เป็นความคิดปูแต่งของความหลงที่จะไปแล้วก็เชื่อกันอเราสอนแล้วมาเชื่อกันแต่ละศาสนาก็สอนกันไปนำความเชื่อของของศาสนาของศาสนาหนึง่งมีศาสนาผู้คนเดียวที่สอนตรงหลักของความเป็นจริง ไม่มีพระเจ้าไม่มีอะไรทังอย่า ง, งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติดรงจิงตดวงใจก็เป็นปรากฏการณ์ทารรมชาติทกทุกในจิตในใจก็อยู่ที่บุญกรรมที่ทำไปของแต่ของจิตกระทำนั่นก็เลยทำให้ปรากฏปีมย มีอะไรมีเทพมีพรมีมอะไรไปตามทางบุญที่ทำไปแล้นก็มีเปรมีอะไรตามบาปที่ทํามันก็เป็นโงยงจิตตัวเดียวท่านรู้นี่นี่มันเป็นได้น่กากลาดจะไปจับให้นันเล่นบดไหนให้มันเล่นเป็นพระพรก็ได้เป็นพระเทพก็ได้เป็นพระญายิก็ได้เนื้อะะไปเป็นเปรกนะ็ได้ประยุ่พื้ที่พื้นกรรมที่ทำ พอเข้าใจโลกนี้แล้วว่ามันไม่มีอะไรเป็นสาระกันสารหาความสุขจากสิ่งแต่างเหล่านี้ไม่ได้ก็ไม่ไปหาอะไรเพราอไม่ไปหาอะไรก็ไม่ต้องไปทําบาปทำบุญที่ไปหากันก็ต้องไปแยกกันไปแยกกันก็ต่อสู้กันฆ่าฟันกันนก็ทําบาปเหมือนกันพอได้มาเยอะก็ามาแบ่งคนนั้นแจกวันนี้ก็ทำบุญไป มันก็วนเรียนอยู่อย่างนี้ถ้ายัางหลงอยู่ว่ า, าโลกนี้ในโลกในโลกสังสารวันนี้เป็นโลกที่ที่เป็นโลกที่โลกสว่ะความสุดจันสังสารวัฏหาความรูสึกหาความสุขจากรูปประชากจรูปประชากมันก็จะกลัมาเป็นว่าตายเกิดถ้าเห็นด้วยตอนอยาวมันเป็นทุกข์มันก็ไม่ต้องกลับมาก็เกิดอะไรตามอย่า พราะทอย่างมันเป็นปรากฏการณ์าธรรมชาติมันเป็นของชั่วคราวนิจจานัตตาไปอยากให้มันเป็นของคาววันก็จะทุกข์แต่ใจเรามากอยากจะได้อะไแล้วอยากจะให้มันอยู่กอบเราเป็นของเราเป็นนาตาถ้ามันดีไปเรื่อยๆไม่ให้มันเสียแต่มีแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นไม่ไม่มีพอมันเสียมันเปลี่ยนไปก็ทุกข์พอมันจากเราไปก็ทุกข์ ไม่มีตอนนี้แล้วตามควาเห็นตัว อ, อยากไปหนะ้าตาเห็นหน้าอนิจจา ไ, ไม่เป็นของที่ไม่ได้ให้ความสุขกับเราที่แท้จริงอย่าไปอยากตัดความอยากเสซิเพราะไม่มีความอยากความทุกข์ความชุนใจก็หายไปพอความทุกข์ใจหายไปจากความอยากความสุขก็แบบขึ้นขึ้นมาเองมา เ, เองโดยธรรมชาติโดยจากความสำนึกสำนึของ ความอยากต่างๆได้ที่เวลาเราเข้าสมาธิล้วก็ระงับความอยากต่างๆไว้ช่วคราวใจก็ได้ความสงบได้ความสุขขึ้นมาแต่พอเราออกจากสมาธิมาความอยากก็เริ่มโผล่ขึ้นมาความสุขที่ได้จากสมาธิกให้ยไปถ้าเราใช้ปัญญาหยุดความอยากได้เราก็จะทําให้ใจกลับไปสงบเหมือนเดิมต่อไป ไม่ต้องไปหาความสุขที่ไหนครับสุขที่การระงับความอยากต่ตางๆนี้เท่านี้ไม่ใช่ไปทําตามความอยากยิ่งทําตามความอยากยิ่งยิ่งไปหาคามทุกข์เพิ่มขึ้นแบบนเนื่องจากสิ่งที่อยากได้มันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงวัตถุมังค่ามันใ ห, ให้มันเที่ยงไม่ได้ <c oughs> ออวรจะเข้าใจนะ ครับเข้าใจอย่างมากเลยครับอาจารย์ครับขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับพยายามพิจารณาทุอย่างไม่เป็นทุกไม่มี็นตไม่ไมีตัวตนแมเป็นสมมติเราสมมติขึ้นมาหมอแค่เชฟอาจา ร, รย์สุชาติเป็นสมมติแล้วดีกว่าท่าแค่ท่าสีเนี่ยไปกับท่านรู้ที่มามามาลุ่วมสังกัดกรรมกัน น, นั่นเองนั่งกายเราไม่เป็นนั่นกายก็กท่าสีใจก็ท่า รู้ลงไปน่าเรียกว่าขันห้างอะไรกายวิทนาจิตธรรมร่างกายวิทนาสัญญาทางกายวิญญาก็แค่นี้แหละเป็นธรรมชาติไม่มีตัวตนอย่สัมผัสเลยร่างกายนี่นก็กลับคืนสู่ดินหน้ลงไปเละหมอพิเชษก็หายไปอยู่แต่ด้ความทรงจําของคนอื่นเขาก็ยังยจะจําเราบางทีเขาก็ไม่จําเรานะ อายปไปไม่กี่พีนั่นเลยเนี่ดูบรรดาบรรทัพโบราณศักดิ์สิทที่สร้างประเทศมาเราบูชาประดับเาากกได้มันไม่ได้ก็หายไปไหนกันหมดแล้วใกล้จะมีน้ำลงไปเหมืนใจทานรู้เขาก็เขาก็ไปได้ร่างกายไปอาจจะเป็นพวกเราที่กลับมาเกิดกันไปนะเมื่อก่อนอจจะอยู่ในครงศีด้วยกันอันนี้ก็มาอยู่ในครงปัตตนีโอสินะ ก็วนไปเวีาอย่างนี้แนะ่ละในเกิดการเวีนว่าตายเกิดก็จากความหนุเก็จากความอยากถ้เห็นว่าความหนุงไม่เป็นไม่เป็นของปอมแล้วความอยากสี า, สาให้เราทุกขเราก็ตัดมันเสียครับบตัสูงครั บ, รบโอเค่ถาถัดไปที่ท่านตอไปเป็นบร มีเด็กไหนราอยู่รู้เปล่านี้ไม่มีนะครับแล้วมาตรการหลวงพ่อกไ็ไม่ไม่กล้าถามอะไรหลวงพ่อพูดแต่แมแจ้งน้ําตาซึมเลยครับก็รู้สึกเอ่ออาทิตย์ที่ผ่านมาก็เป็นโควิดแล้วพอเป็นโควิดเออจะไ ด, ด้ดีเหมือนกันอยู่นิ่งๆกับตัวเองแล้วพอเป็นโควิดมันเหมือนอะไรสัมผัสในอวัยวะต่างๆหรือก็ดูกอะไรอย่างนี้มันชัดเจนขึ้นก็เลยแบบเออก็เลยพิจารณาเออก็เห็นว่าเออมันก็ไม่ทุกเงินมันก็คือใจมันไม่ทุกแต่ว่าร่างกายมันทุกมันก็แบบ ก็เรียกว่าอยู่แบบนั้นแหละก็เหมือนเห็นเหมือนนั่นแหละเหมือนกรงเหมือนกรงขังของจิตใจครับที่เป็นร่างกายก็ฟังธรรมะก็ระหว่างนั้นก็โอเคครับหลวงพ่อก็ก็ซาบซึ้งหลวงพ่อคําสอนเมื่อกี้มากครับฟังแล้วรู้สึกเหมือนเป็นมีค่า ย, ยิ่งกว่าเพชรใดๆเลยครับก็แบบน้ำตาตื้นนะครับปล่ okay, <c oughs> อยวางนะปล่อยวงร่างกายไป่ใช่ตัวเรา ครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็วันเกิดผมแล้วเดี๋ยวเรามาขอพรเหมือนทุกปีครับหลวงพ่อไปให้มีวันในวันนั้เกิดนครั บ, รบขอใหเจอวันไม่เกิดทั้งวันหนึ่งทัางหน้านี้ทำเจอแล้ววันไม่เกิดครั บ, ร บ, รบก็ผมก็พิจารณาแบบพิจารณาร่างกายได้ชัดขึ้นในตอนที่เจ็บป่วยก็หลวงพจะบอกว่าอะไรอะอะไรทุกบ่มีปัญญาบ่เกิดมันก็ มันก็จะเห็นได้ชัดเวลาร่างกายไม่สบายเพราะว่าเวลาไม่สบายปับ๊บมันก็หาความสุขจากร่างกายไม่ได้ก็ต้องพึ่งจิตใจที่สงบทแนทนเวลาเจ็บป่วยแต่แต่ผมก็จะรู้สัญญาณตัวเองคือถ้าเวลาร่างกายสบายดีเมื่อไหร่ก็จะรีบก็จะไปหารูปรดกลิ่นเสียงเหมือนเดิมผมก็ต้องพิจารณาว่าเห็นไมว่ามันไม่เที่ยงนะมันจะเจ็บป่วยนะ้าเหมือนอะไรอ่ะหลวงตามหมาโบท่านจะบอกว่าเหมือนหมูขึ้นเขียง่ะมีความสุขไปอ่ะ ไม่รู้ตัวว่าจะตายวันไหนยังหมูขึ้นเขียงก็เป็นคําสอนที่แบบยังไงมันมาระ ล, ลึกพอเจ็บแค่ได้ป่วยขึ้นมาก็หาความสุขไม่ได้ใช่ไหมครับห<ม>าความสุขจากความสงบดี่าหาได้ตลอดเวลาครับก็พอมีพอหาความสุขได้แล้วมันก็ไม่ค่อยอยากสูงส่งกับชาวบ้านด้านหาความสุขกับกับจากชาวบ้านเท่าไหร่แค่ แค่มีแมทรีซิตต่อกันแต่เราก็ไม่ได้ไปหาความสุขเช่นอยากไปเที่ยวอะไรก็ไม่ค่อยมีเพราะว่ามันมันไม่สูกนมันไม่เฉลยมันทุครับเหมือนอะไรอ่ะเหมือนเนี่ยสังเกตชีวิตตัวเองเล่นๆคือแบบพอไปกินข้าก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยปั๊บหลังจากนั้นไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ไม่อร่อยก็ไม่อยากกินก๋วยเตี๋ยวไม่อร่อยอีกเลยกลายเป็นชีวิตอยู่ยากกว่าปกติแทนที่จะกินแบบไม่อร่อยแล้วมีความสุขได้กลายเป็นต้องกินก๋วยเตี๋ยวที่ต้องเจ้านั้นมันก็ ผมก็เลยพยายามกินอะไรที่ไม่อร่อยเพื่อจะได้ไม่ติดอะไรอย่างนั้นอดีพยายามอยปกินของที่เราชอบครับก็อายุเติมขึ้นทุกวันผมก็เป้าหมายทางโลกผมก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกครับก็อยากหมดคนทุกมากกว่าเดี๋ยวเขาได้บวนแน่ได้ครับขอบคุณหลวงพ่อมากครับ สวัสดีครับคุณข้าราชการยังมีวันเขาอยู่ไหมยังไม่ได้กลับบ้านอค่ะเอ่อยังอยู่ค่ะกับพรุ่งนี้ค่ะยังไงสบายดีไหมมีวันที่สามนะค่ะมันไม่ยอมนั่งไม่ยอมอะไรเลยค่ะพะอาจารย์มันแบบจิต ม, มันแบบเออมันดื้อ ม, มากมันนั่งไม่ได้ลูกก็เลยใช้นึกถึงวิธีของที่พระอาจารย์สอนนะคะในซูมอ่ะค่ะจึงลูกก็เลย สักสี่โมงถึงสี่โมงเย็นลูกก็เลยนั่งที่เก้าอี้อย่างเดียวไม่ลุกไปไหนนั่งภาวนาก็ได้หรือว่ายังไงก็ได้แต่มิเน็กว่ามันจะได้ไม่ได้แต่ลูกไม่ลุกลูกเพราะว่าถือว่าเราไม่ได้นั่งเราก็เลยมาจำกัดพื้นที่อย่างนี้ได้ได้ก็มันก็พระอาจารย์มันก็เริ่มเริ่มแบบเหมือนเหมือน นั่งสมาธิได้แต่มันก็จะมีบางช่วงที่แบบลึกไปเหมือนที่ที่ที่บอกพระอาจารย์นะคะมันก็มีช่วงทีดีบ้านช่วงไปธีบ้านแต่มันก็เข้าได้นะคะแต่ถ้าลึกสุดๆมันก็ยังเข้าได้วันเนี้ยก่อนที่จะเข้าสุงเนี่ยแบบสงบสบายดำแล้วก็เย็นสบายแบบเข้าแบบง่ายนะคะแต่มันก็จะมีบางวันที่แบบ เชา้ามาปุ๊บมันก็ลาลกันคิดตรงนู้นลากกินตรงนี้มันไหลสารกะกันนั้นเลยค่ะอาจารย์ก็เลยแบบเหมือนที่พระอาจารย์บอกอะระวังภูมิทราบางทีมันก็คุยเองคิดเองอะไรอย่างเงี้คยค่ะก็อยู่คนเดียวไปคุยกับใครก็คุยกับตัวเอยงไม่แต่ไปคุยอะก็อนอเดี๋ยวจะวาลรูปบ้ามากันทุกค น, นคุยกับตัวเองทุกคน แต่เวนเวลากคุยแบบเหมือนขึ้นมาแล้วเราก็เอาธรรมะมาแก้ขึ้นมาเออมันอยาน่างนี้อยา่อยางงี้อะไรมันคิดไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สรือทาวอาจารย์ถ้ามันไม่จำมันขึ้นไมทีมันจะไม่มันจะไม่เห็นถ้าเราไปนูนน่นแล้นี่เราก็เราก็ไม่ไม่ไม่เห็นหมันพราะเรไปกับมันมันชวนเราไปนู่นมาหนี้ทำ น, น, นู่นทำนี่อ่าแล้วกลัวอยู่บ้านแล้วแบบเหมือนแบบพอเสร็จแล้วก็ออก ไม่เปิดตู้เย็นกินอะไรได้นะอาจารย์อันนี้ลูกจำกัดอยู่ในนี้แล้วก็อาหารก็ดันบูดบ้างอะไรบ้างก็ปล่อยตามตามตามอันนั้นไปตามธรรมชาติาเป็นปรากการณทางธรรมชาติเพราะว่าลูกตั้งใจคือเหมือนว่าเราเราเริ่มขยายขึ้นนะคะเวลาค่ะให้มันแบบตอนแรกอ่ะตอนมาใหม่ๆลูกก็จะลองแบบว่า เอาที่ว่าเอ๊ะเราพออยู่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาแล้วค่อยๆเพิ่มระยะตอนเนี้ยมันเพิ่มแล้วดีๆมันจะเพิ่มไปอีกลูกยังเจอเจอเที่วนี้เดือนหน้าจะเพิ่มอีกมันจะไหวไหมนี่ยอาจารย์จาไมทำไมที่อยู่คนเดียวเองอาจารย์ชาโอเคอ่า อ, อันนี้ใจแล้วคิดถึงบ้านได้ ย, ยัง ไ, งไม่อะค่ะอาจารย์ เขาไม่ไม่ไม่คิดแต่ว่าแฟนคือลูกอะปกติอะคือมาเนี่ยลูกอไม่คไม่ไม่ไม่ไม่ฟุ้งเกี่ยวกับแฟนเท่าไหร่อยู่แล้วแต่แฟนะติดคือเขาก็จะบอกว่าสองถ้าสองทุ่งเนี่ยคือต้องโทรหาว่าเป็นยังไงกลัวแต่ตอนนี้พอเราแยกกันก็คือเหมือนเราก็มาฝึกกับอาจารย์ที่อาจารย์บอกอะให้ฝึกเหมือนแยกจากกัน เออเราก็เลยลูกก็คิดว่าอันนี้มันก็เหมือนแยกจากการ<ม>เขาก็เลยแบบเหมือนบ่นมาเรื่อยๆว่าเออพอไม่มีเธอที่มันอย่างไงก็ไม่รู้<ม>เพราะว่าอยู่กันมันก็แย่กันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ<ม>และจากที่แบบเขาบอกพอะ่ะมาหน้าบ้านเพระปกติลูกจะใส่บาตรเช้าทีเดีย น, นลูกหายไปพะเขาก็เลยแบบมาถามว่าจะใส่บาตรไหมอะไรอย่างเงี้ยแฟนลูกก็แบบ เตรียมใพร้อมตอนหลังเขาก็เลยต้องมาผุ่งข้าวเองซึ่งเขาอะผุ่งข้าวไม่เป็นเขาก็ลองมันก็ดีมันก็ฝึกเขาไงฮะแล้วเข า, เเขาให้เขาได้ทำบุญด้วยเพราะ ว, ว่าปกกัแต่เขาว่าทำบุญเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ก็จะทำกับบา้าบาลหรือว่าโรงเรียนถ้ามาขอเกี่ยวกับพวกยาค่ะในตู้ยาโรงโรงเรียนนะคะก็จะบริจาคให้ไปเลยถ้ามา ค่ะอาจารย์ยากกันหน่อยดีแบบว่ามันต้องแยากกันแน่อนวันใดวันหนึ่งใช่ลูกก็คิดอย่างนั้นที่ว่าอาจารย์สอนก็เลยฝึกฝึกกันไว้ว่าถ้าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ลูกก็บอกเขาเหมือนเหมือนที่พระอาจารย์สอนนั่นแหละก็บอกว่าเนี่ยมันก็คือเหมือนเราเริ่มฝึกจากการเพราะว่าไม่รู้ว่าใครจะตายก่อนกันตายก่อนกันนั่นแหละอาจารย์เราไปก่อนเราไปก่อนเราไปพร้อมกันมันก็ไม่สามลูกชัน ลูกคิดลูกคิดเห็นแก่ตัวว่าลูกอยากไปก่อนนะเพราะว่าจะได้มีคนดูแลตอนป่วยเขาก็บอกว่าไปรีบไปลูกใครจะดูฉันล่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ลูกก็บอกบอกเขาเหมือนเหมือนที่บอกพระอาจารย์เดิมถ้าหากว่าฉันเป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยเธอก็ไม่ต้องรักษาฉันนะเพราะว่าฉันก็ไม่รู้จะแบบคือเราไม่มีลูกนะจ๊ะ ครับประมาณอย่างนั้นนะคะพรอาจารย์โอเคเตสร็จวีนะค่ะโอเคสาธุคุณที่ประวันอันดับหกอยู่ให้ใจค่ะขอบขอบพระคุณพาจารย์ค่ะปาร่วมทำของพาจารย์แต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นที่นี่หรือวิสัชนาธรรมธรรมะบนเขา โยงก็อได้เรียนได้รู้แล้วก็ได้พยายามฝึกท่าที่จาได้แต่หลายสิ่งหลายอย่างที่พระอาจารย์ปรารถลาครั้งก็เชื่อมโยงกันหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นชื่อปฏิจจสมุปบาทเหมือนวันนี้พระอาจารย์ตอบคำถามของคุณหมอค่ะก็เชื่อมโยงกันแล้วก็จบที่อนัตตาใช่ะเราก็ เป็นไตรลักทั้งหมดนะคะโยมฟังเหมือนคิดตัวเองค่ะเข้าใจไม่เข้าใจนี่ไม่ให้รอประเซ็นต์นะคะแบบเหมือแนบบมันเป็นทางที่ที่เห็นนะคะก็ดีเอาไปปฏิบัติค่ะแต่โยมก็มีคำถามเดี๋ยวนี้นะคะพระอาจารย์บอกว่าร่างกายเราเนี่ยจิตมันมาใส่อยู่แต่เวลาเราเกิดความเจ็บขึ้นมา เราละลึกดาว่าเจ็บเราสมาธิเราหลีกเลี่ยงได้แต่ว่ามันคนที่สมาธิไม่มีกําลังมันก็ไม่เก่งที่จะเลี่ยงได้อ่ะคะ่ะโยงก็พิจารณาไม่ออกะคะ่ะว่าในเมื่อเราไม่มีตัวตนแต่เรารู้สึกเจ็บเพราะเรารู้ระลึกได้แต่มันก็ยังไม่เข้าใจเข้าไปในจิตนะคะว่าทำไมวว่า แล้วก็ถ้าไม่มีตัวตนก็ปล่อยให้มันเจ็บไปเฉยๆไม่ต้องไปไม่ต้องไปจัดการอะไรกับมันแทนที่ตัวที่ไปจัดการกับมันก็คือตัวตนเนี่ยตัวหลงที่มันไปหลอกให้จิตเป็นตัวตนขึ้นมาแล้วมาไปจัดการกับความเจ็บที่งไนจัดการยิ่งทุกใหญ่เพราะความเจ็บบางทีมันก็จัดการไม่ได้ยิ่งตัดตัดอตัวเนตัวที่เราจะไปจัดการความเจ็บเสี่ย หมายความเจ็บเขาแสดงไปตามเรื่องของเขามันพาแนฟ้าลองพาให้มันเลาะพามันรักพามันร้องไปไม่ทำไปจ่ายการกับเขาหรอกแล้วถ้าเกิดเราทนความเจ็บไม่ได้ล่ะคะพระอาจารย์เหมือนกับว่าก็ไม่มีสติไม่มีสมาธิมันก็ทนไม่ได้ก็ต้องไปฝึกสติฝึกสมาธิก่อนเนี่ยถ้าได้มาค่ะ ถ้ามีสติมีสมาธิมันก็จะมีโอเบตคามันก็จะเฉยได้ค่ะพระอาจารย์ได้ปารธรรมกายคตาสติอะค่ะก็เชื่อมโยงกันหมดเหมือนกันขนาดนี้พระอาจารย์ก็ให้อยู่แล้วมีคาว่าอนุสติสีปหายมอ่านเจอยมก็อยากฟังอีกอาา่ะค่ะเพราะมยมนนไม่มีไอ้ไม่ น, นี่เป็นเครื่องตั้งสติไง เช่นบาณานาป า, านาสตินี่มาใช้ลมหายใจเป็นเครื่องที่ตั้งสติสัะะงขานุสติก็ใช้พระเจ้าธรรมานุสติก็ใช้ธรรมะธรรมสอนของพระเจ้าเป็นที่ตั้งสติเช่นฟังธรรมนี่ก็เรียกว่าธรรมานุสติสังขารุสติก็เราแล้วนึกถึงพระปฏิบัติมีปฏิบัติช่อบเองไหนก็ได้ที่เราศรัทธาแล้วก็มาเลือกถึงท่านนี่นก็เรียกว่าสังขารุสติ อาจารย์เองมีสิบอย่างานะเรงงาก็จำไม่ได้หมมาดานระูสติการแล้วก็ถึงควาตายมันได้มาเป็นกรรมฐานกรรมฐานสี่สิบแบ่งเป็นแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มรู้สติมีสิบกลุ่มสุภาพมีสิบแล้วกลุ่มอะไรมีมีอีกสิบรวมมันมีทั้งหมดสี่สิบต้องไปเปิดจาไม่ได้ กรมฐานสี่สิบเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราสามารถใช้สร้างปลกใจไว้ให้เกิดสติขึ้นมาได้หรือให้เกิดปัญญาบางเรื่องก็เป็นบางองค์ก็เป็นตัวปัญญาเช่นมรนุสตินี่ก็เป็นตัวปัญญาเห็นควาตายนันนี้จัดหรือสุภาษินี้ก็เป็นปัญญา เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิถ้าใช้หงเย่มันเป็นใช้ปัญญาอบรมสมาธิเราพระอาจารย์หลวงพ่อเจ้าค ะ, ะมีบ้างไหมคะที่เราไม่ได้คิดว่าเราทําสมาธิแต่มันเหมือนกับเราก็ยังได้ยินสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะเจ้าคะสิ่งที่เป็นเสียง เหมือนกับจะสวดมนต์ก็ไม่แน่ใจว่าใช่ภาษาก็ฟังไม่ออกแบบยิ่งไม่สนใจก็ชัดเจนมากขึ้นเหมือนกับเปิดเครื่องขยายเสียงอะคะ่ะทั้งทั้งที่เราแบบไม่ได้ตั้งใจว่าโอเคเดี๋ยวนั่งสมาธินะเราต้องฝึกสติก็จะมาเองอ่ะคะ่ะดิฟ <ๆ S 1> เฟนต์มันมาเอางกันรั่วปากอะไรแต่ละคนมันไม่เหมือนกันคอนะะเทนตมันอย่าไปหลงมาบิน มันมาก็มันก็ไปงั้นก็พิจารณาเป็นตายรับเป็นอนัตตาไปเหมือนฟ้าร้อกฟ้าแลบไปมาแล้วก็ผ่านไปแล้วก็พิจารณาด้วยปัญญาว่าเอามาใช้ประโยชน์ได้หรือเปล่าถ้ามาใช้ประโยชน์ดับปิเลนได้ก็เอามาใช้ถ้ า, ามาใช้ดับปิเลนไม่ได้ก็อย่าไปสนใจคะนะค่ ะ, อะโอเคโยมก็เหนื่อยเหมือนกอันคะ คอยยิ่งฟังคำว่าของพระอาจารย์มีมีบางช่วงสนุกจะคาว่าสนุกนี่ไม่ใช่สนุกแบบทางโลกค่ะแบบมันไม่มันไม่เหนื่อยมันแบบว่ามันปติดเป็นต่ตตอมันเข้าใจแต่เมื่อวานนี้เหนื่อยอ่ะคะ่ะเหนื่อยแบบเหมือนอยากจะหยุดสักช่วงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอกับค่ะเป็นอาการปกติใช่ไหมคะบางทีคำไม่รู้เรื่องมันก็เบื่ออาการไมรู้เรื่องมันก็เบล่อเอง จะในส่วนนั้นนะคะแล้วก็อยู่ที่วันท่านสติเราดีไม่ดีด้วยสติไม่ดีใจมันลอกแง่ที่เรื่องเรื่องนี้มันก็ทำให้ทำแล้ไม่มีรสชาติคนมันจะฟังไม่เข้าใจแต่ถ้าวันหมีสติเขาทำก็เข้าใจมันจะเกินหลายหลยครั้งเห็นคนอื่นเขาำำถามคําถามอะคะ่ะโยมก็ก็ ก็อยากถามแต่มันก็เข้ามาที่ตัวเองค่ะเหมือนกับว่ามันอยู่ที่เราเหมือนมันรู้แต่เราเราไม่ได้พัฒนาเราไม่ได้ฝึกเอาจริงเอาจังไงนะค่ะเราทำอะไรไม่ทำรเราทำเราเราทำอะไรไม่ทำเราทำไปเรื่อยในการมามาศึกษาเพื่อให้เร า, ารู้ข้อมูลความของตัวเราแล้วก็ระบบกข้อมูลอะไรอย่างนี้ได้พัฒนาตัวเองได้ใช่ไหม ไม่มีใครมาพัฒนาตัวเราเองได้ เ, เราต้องพัฒนาตัวเราเองแล้วก็ต้องไปนคน็คนร้เองว่าเราบอกอู้อกตรงไหนมันอยากเล่ามาบอกพอู้อื่นดการความเพียรทั้งนั้นเพียรน้อยไปปฏิบัติน้อยไปโ mm hmm. ม่เอาเวลาไปทํำอะไร ไ, ร mm hmm. ไปบุกอาใจมัย mm ์นะน้อยเนี่ยไปที่อาจารย์ผงไม่เป็รเดีย๋ยว กทมวันก่อนสำนวนัฒกรรมพระจันทร์เพื่อเาของมาใส่บาทแล้วอ๋อค่ะกรับกรรมกรกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรมกรรมกรร้กรรมกรรมกไรมกรรมกรยมกรรมกรยมกวรมกรรมกรัมกร่มกรรมกรนม่รรมกรรมกรอมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรม่รรมกรรมกรรมกรรมกรรมกอรมกรรมกรรมกรรมกรรมรรมกรรมกกรรมรร ก็ทําไปเป็นแล้วแต่ความต้องการของร่างกายเป็นต้องการอะไรก็ทําให้มันไปทําได้ก็ท ำ, ทำทำไม่ได้ก็ไม่ลองทอําำหลังพระอาจารย์เป็นไงฮะก็ก็สบายดีก็พอที่จะพออยู่ประมันได้เพียงให้มันดีก็คงไม่ดีแล้วแต่ก็เราก็รู้จักวิธีใช้ได้มัน ปฝากตัวให้เข้ากับมันเมื่อก่อนเราให้มันเข้ากับเราได้แต่ดีนี้เราต้องเข้ากับมันแทนมันหอกไม่ไหวก็ต้องก็ต้องหยุดก็ต้องพักท่านั้นไม่มีอะไรแก็อยู่กับมันได้เมื่อก่อนเราสั่งมันได้ทันทํานีำได้อันที่มันสั่งมันไม่ได้เราไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่สั่งมันไม่ยอมเดินเดินแล้วเจ็บเพาไม่ต้องเดินเขงได้ เมอท่ S <S เดิน <S <S <S <S เดินแล้วเจ็บก็ให้ยืดเ้น ย, ยืดสายก็ยืดไปถ้าอยากเป็นต้องเดินก็ยืดไปเดินไปยืดไปเดินไปก็จริงๆท่าถ้าของอุ้มบาทรนะคะตลอดทางอะ่ะแล้วเวลามีข้าวอยู่ในบาทเยอะๆนะคะก็เห็นแต่ละองค์ก็ค่อนข้างหนักนะคะบาทีก็ร้อนด้วยก็ <S <S น, นี่แหละชีวิตของพระก็ต้องเป็นอย่างนี้ก็ดีกว่าไปทำงานอะ่ะ แค่ช่วมงเดยได้ข้าวฟรีกินแล้วถ้าไม่ได้เป็นพระนึกต่ไปทำงานทั้งวันกว่าจะได้ได้เงินซื้อข้าวหนึ่งลำบากแค่นี้สบายกระยอมต้องเยอะแยะไม่อจารย์ราบอยากจะเรียนถามแชร์วิสต้องของอาจารย์เมื่อคืนเมื่อคืนมันติดอยู่ในใจถึงตอนนี้จะจำจำสารําสาราได้แต่ํำไม่แน่ใจ เมืยอันพูดถึงเรื่อง happy happy with เอาเหมือน with nothing with, อะ with nothing being nothing อะไรเงี้ยมันแบบมันมันใช่เลยการไม่มีอะไรกับนความสุขการอยู่อยู่กับความว่างได้ในความสุขแต่กิเลนไม่ยอมให้เราอยู่กับความว่างกิเลนต้องมีนูน่นมีนี่ต้องไปนูน่นมานี่ต้องเราต้องพยายาม ต่ดตัวก่เลสนี้ให้ได้แล้วเราก็จะอยู่ในความว่างได้ในความไม่มีอะไรได้เพราะมันแบบโอ้มันลึกมากทําไมนึกถึงว่ามันก็มีเกี่ยวกับบุญกรรยาวัตถุสิบใช่ไหมคะที่เป็นเรื่องของแทบพิณยะซึ่งคือนั่นมันเป็นขั้นตอนของการสร้างความศึแบบใหม่เพื่อที่เราจะไปสู่ในในในใ น, ในจุดที่เราไม่ต้องมีอะไร ไม่ต้มีอะไรมาให้ความสุ ข, ขับเรา oh, <okay. S 1> เอ๋โอเคอนล้วการทำทาความสุขทำพุทธเจา้านั้นเป็นการในการในการศีลสลาดในการในการปลดปื้งสิ่งต่างๆที่เราอาศัยให้ความสุขของเราเช่นเงินทองเนี่ย <c oughs> เอาเงินทองไปทาบุญใช่ไหมอยาง น, นะ <c oughs> นีเอาเงินทอไปกินไปดื่มไปเที่ยวไปอะไร <c oughs> ไปซื้อของพวกสวยนี่อะไรเอาไปทาบุญใช แล้วการทําบุญมันจะทำให้เราเกิดความสุขเมื่อมันจะเป็นความสุขที่มาทดแทนการไปเที่ยวการไปซื้อของฟุ่มเฟือยได้เพราะว่าเวลาเปาหมายของการทำบุญ<ม>ก็เพื่อให้เราไปจุดจุดที่เราไม่ต้องมีอะไรแล้วเราจะมีความสุขไเม่ตเรามีราภยศแล้วเถิดไม่สุข่างๆ ม, มันจะมีปีกาย อันเรื่องปัจจัยสี่นี่ต้องมีกันทุกคนนะไม่เกี่ยวพื้นฐานเรืออาหารที่อยู่เรื่องเรื่องขอที่อย่อาสัยอย่ารักษาโลกนี้เปนเรื่องร่างกายต้องมีพระพุทธเจ้าพระมห า, าทุกองค์ก็ต้องมีแใดถ้ า, าร่างกายมันยังไม่ตายกาย็ต้องเลอง <c oughs> แต่ เ, เรื่องอื่นอันเรื่องลาภยศเสริญ ส, ส, ส, สุดนี่ไม่มีไม่ต้องไปหามบ่ <c oughs> <c oughs> คนตุนดาวนี้มันมีหาสองส่วนส่วนที่จําเป็นก็คือปัจจัยสิ่งใ้่ส่วนที่มันจำเป็นก็คือโลกกระทำสิหรือราฟเนื้อชลสนเนี่ยตัวราฟเนื้อชลเสนเนี่ยเป็นตัวที่ส้านความมุ่นวายปั่นป่วนให้กับมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยอยากจะเป็นอยากจะเป็นนายกเนี่ยเป็นได้คนเดียวแต่ว่าคนมันมันร้อยไวมันแก่แย่งชิงนีมันกัดกันเหมือนหมา สี่ร้อยตัวมาแย่งกระดูกชิ้นหนึ่งนะฮการชันไหมละสังเกตย้อนกระดูกไปให้หมาอันักซี่สี่ห้าร้อยตัวด้วยดูมันจะอยู่เฉยๆหรือเปต่าแต่ละคนก็ลากิเลตต่างๆตรงนั้นก็ยากเลยนะคะเพราะว่าก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่สมถูกต้องแบบคีฟิสค้ามสุขของข้ามสุดของกิเลสอย่างเงี้เล พรบอกว่ามการไม่มีอะไรเนี่ยเป็นความสุขอย่างยิ่งก็เลยงงเป็นได้ยังไงมาใชไหมใชม่มันต้องมีลาบ ม, มันต้องมียศต้องมีสรรเสริญมันต้องมีรูปเสียงกิตติมาให้เสร็จมันไม่มีความสุขกันเรบอกว่าไม่ไม่ต้องมีอะไรให้ความสุขไม่เข้าใจคือถ้าแบบสอนหนังสืออกิเลสเนี่ยมีมีมากมายเยอะแยะใช่ไหมรเราก็ทําสโปคปให้ให้เล็กลงเล็กลงไปเรื่อยเื่เพราะว่าอย่างสังเกตอาง แต่ตัวเองอย่างเงี้ยนะก็คือเราพยายามจะตัดโลกที่เราเคยอยู่ที่มันใหญ่เนี่ยให้มันเล็กลงไปเรื่อยเรื่อยรื่อยเรื่ยรื่อยคนเราอบลึกก็น้อยลงน้อยลงก็น้อยลงไปใช่ใเส่วนเราสามารถอยู่ตามธรรมของเราได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีรากล้วยสะรสนิษ์มีเพียงปัจจัยสี่ไม่เลี้ยงดูร่ากายเนาะแค่นั้นเองเขาทําได้ไปไปเรื่อยเรื่อยในฐานะ เป็นผู้ชุชนนี้ก็ชีวิตก็รับเรียบดีสบายไม่ต้องไปตามสังคมออกงานนู้นต้องใสชุดนี้ออกงานนี้ต้องใสชุดนั่นวุ่นอยู่เขาวุ่นเลยไม่ต้องไปเขี่เกียร์แต่งตัวทํางานนู้นเขาไม่เชิญก็เสียใจชอบเดือนนี้ชอบการเป็นชอบเวลวไม่ต้องมา ชอบอะไรที่มันเงียบๆนะทำสุขใจทางโลกโลก็ทำแล้วมันจะต้องมุ่นหมายแต่ก็ยังเนื่องจากเรายังดาเนินชีวิตอยู่นะถึงกลุ่มกลุ่มเล็กลงแต่ก็เป็นซีเล็กเตสรุบพวกนั้นเองที่คุยกันรู้เรื่องคุยแต่สิ่งดีงามบริสุทธิอ์อะไรอย่างเนี้อก็เลือกกลุ่มธรรมะไปอย่างพวกเราก็เข้ามาเข้าโซนเล่ะเข้ามากลุ่มธรรมะไป<ง>คุยกับใครเขไม่รู้เรื่องอะไปถึงอย่างวันนี้ก็คุยไปคุยกับเขา ก็มีแต่เต็มตัวตายอย่างเงี้ยเขาก็คือเราเราพูดเป็นของปกติสําหรับชีวิตเรามากจนบางทีเราลืมไปว่าคนฟังอ่กกะเขาเขาพร้อมหรือเปล่าที่จะฟังเราเราต้องตั้งใจเรื่องการต้องตั้งเรืคนฟังเห <c oughs> มือนเราไปสอนหนังสือเราต้ราดูหนังเรียนเขาอยู่ใ น, <c oughs> ในะระดัไหนมันออกมาเป็นธรรมชาตินะพอเจอนันเลยนเาสอนนิวเคลียร์ฟิสิกส์เลยอย่างก ก, งการไ ข, ขราก้อนไข่ทำไปเรื่อยมะ ใช่ค่ะก็รบกวนพระอาจารย์คนนี้ค่ะขอบขอบพระคุนค่ะดีมากไปนะอย่าทิ้งนะไม่ทิ้งค่ะไม่ทิ้งลงไปลึกๆไปเรื่อยๆมาที่น้าโมต่อหน้าโมกับปุณยายปุณย์ายสบาดีนะจาจายไปดูงนี้ด้วยค่ะนักเดินทางค่ะที่หนังสือของท่านนะคะใช่ค่ะ อาจารย์ดูอะไออเปิดเปิดทาเปิดเปิดเปิดใจใช่ไหมครับชื่อต้องซื้อว่านักเดินทางนักเดินนักเดินทางพระอาจารย์ด้วยค่ะเป็นของเราเลยพิมที่ไหนเมื่อไหร่จำไม่ได้เ้าประสงเป็นของพระอาจารย์ครับผมเพิ่งมีเหมือนแบบฟอร์มส่งมาครับเพิ่งออกใหม่อะใช่ครับนไม่งออกใหม่ครับผมพระอาจารย์ เขากล่าวทำมาที่เราพูดพูดมาวัดปฏิปตะกันนั่นที่เกี่ยวเป็นเรื่อเดียวกันเขากล่ามาวันเร า, ารพูดทำมามันจะเปซสปะวันนี้พูดเรื่องนี้อันนี้พูดเรนี้เดียเดี๋ยวไปพูดต่อวันอื่นเราไปตามต่อมาถ้าพูดแบบธรรมชาติไม่ได้พูดแบบเป็นโปรแกรมว่าอันนี้จะเราพูดทางนี้แนวนี้ มีคนใครมันนี้มันให้ประเทศแนวโน้นแนว น, วนี้บอกว่าอย่ า, าอย่างี้เรไปไม่ได้นะเหนือ เ, เสียคำพูดเอเริ่มตอนตรงนี้แต่มันไปจบที่เรงโน้นเลยให้ธรรมชาติเองละครพูดแบบตามสบายๆแล้วก็ไม่เคยพูดแบบที่เป็นเป็นเป็นแนวว่าต้องพูดอย่างนี้พูดแล้วมันขัดอะพูดแล้วมันไม่ไม่เป็นธรรมชาติ เรื่องราวมันเลยฟังไม่รู้เ ร, เ, รเรื่องทีพยายามพูดไปตามธรรมชาติเลยแบบตามํามตามทาความเข้าใจเราชื่ออธิบายสิ่งที่เราเข้าใจไปพูดไปตามความเข้าใจมันก็คนก็จะฟังรู้เรื่องใช่ก <c oughs> ็เดิตามที่เขาามานะควจ้ายายชอบอ่านหนังสือผ้าจารนมากเ ล, <c oughs> เลยครับยายดีใจที่มีคนยินดีมีคนชอบอ่าน <c oughs> มันยังยั ง, ยงตายยังดีอยู่นะสายตายยังดีอยู่นะก็ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่แล้วค่ะตั้งจะให้รับทำใหม่ให้ดีกว่านี้แต่ก็ยังไม่ทําให้เร<ต>าใช้น้ำวน้ำวนได้ฟังน้่ออานอัดเสียงไว้นายปุณยาปล่อยฟังก็ได้ครับผมพระอาจารย์เดี๋ยว<ต>ทำเดี๋ยวทำเอาเดียวบุ๊คเอาเดียวบุ๊กให้ปุญญาทำได้ครับผมพระอาจารย์น้ำวจะได้ถูกบรรดาบอ่านไปในตัวด้วย อาจารย<ม>์ได้ครับผมดี น, นะดีครับผมคุณยายทำดีกว่าน ะ, ด, าานะดีก็อ่านนะใช่ไหมใครก็อ่านนะครับแต่นานได้นิดได้นิดเดีย ว, ว, วอย่เนธม ท, ทาให้คุณยายอ่านหนังสือธรรมะในการทำธรรมทานครับผมอาจารย์ได้เลยครับผมมีมีหน่วยงานหนึ่งที่ก็ชอบทา เขาอัดเสียงทำนม่งเลาไปให้คนคนตามบอดฟังนีดเขาอ่าตหนังสือเราที่ไปอ่านแล้วก็เ อ, า, อเาไปทำเป็นออดิโอบุ๊กให้คนที่เขาอ่านไม่ได้ให้ฟังเสียงเนาะก็มีครับอาจารย์ดีจังเลยครับอาจารย์แล้วก็วันนี้มาส่งกันบ้านพระอาจารย์ครับผม อ ม, มาส่งด้วยความลายใจครับส่งพัชชัยวันนี้ก็ช่วงนี้กรรมฐานแตกพอพอด้วยความที่เราเราฝึกสมาธิอย่างเงี้ยครับพัมันทําให้เหมือนข้างในเรามันมีกําลังแต่เมื่อไหร่ที่พออารมณ์มันมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยถาโถมถาโถมถาโถมอย่างเงี้ยมันเหมือนกับแบบทิที่กั้นน้าอ่ะมันน้ํามันมาเรื่อยเื่สุดท้าย ที่กั้นมันแตกครับอาจารย์พอมันแตกปุ๊บเอสิ่งที่มันเคยกั้นได้ทั้งหมดทั้งมวลมันสเปลชมาเลย <c oughs> มันรุนแรงกว่าตอนไม่ฝึกอีกครับก็จสติพังเลยมันจสติหายปุ๊บไปเลยครับรสตินี่คือกาแพงกั้นกี่แลงไปเลยเราสติเหมือนกาลังเมื่อไหร่ครับมัน เ, นเกื่อนพังเลย <c oughs> เขื่อนพังเลยครับมันไหลแบบโผ ความโกรธนี่คือทลักออกมาหมดเลยครับแต่รีบไม่รีบเอาเกิดกลับมาไม่รีบพูดไม่รีบพูดโธรพูดถึงตอนตอนตอนหลังพอมันหลุดออกไปแล้วก็พอทุกอย่างเริ่มเคลียร์ก็รีบกลับมาพุดโธคราวนี้ครับอาจารย์พอพุดโธก็นึกถึงพระพุเทธเจ้าแล้วก็น้ําตาคลอครับอาจารย์ว่ า, า, วาคือเรารู้สึกละายใจอ่ะเราเป็นเราเป็นศีลพระพุเทธเจ้าแท้ๆแล้ว เราไม่ได้นิดหนึ่งของท่านเลยความความอะไรของท่านเราซุ่มอะไรไม่ได้เลยคือเราไม่สามารถเจริญรอยตามท่านได้เลยเรื่องการควบคุมความกรัวสติหายหมดเลยอก็ม า, าเป็นบทเรียนสอนใจว่าเราอย่าประมาทพระเจ้าสอนอย่าประมาทมันจเจริญสติอยู่เรื่อยสตินี้เป็นธรรมพุ้มของใจพันชัดแล้วก็ได้มีโอกาสกลับมาพิจรารณาคงกระดู อีกรอบหนก็คราวนี้พอไปฝึกสติมาแล้วมันทำให้สามารถคิดถึงโครงกระดูกได้นานขึ้นครับผมพอคิดถึงโครงกระดูกไม่นานขึ้นเรื่อยๆผมก็จะคิดไปเรื่อยๆก่อนนอนตอนเช้าตื่นมาก็จะคิดไปเรื่อยๆเกี่ยวกับโครงกระดูกครแล้วก็เห็นความเป็นจริงของโครงกระดูกว่าสุดท้ายมันก็เหลือแต่โครงกระดูกอย่างอื่นมันก็แหลกสลายเวลาเห็ใจก็เห็นโครงกระดูกขอาด้วย ครับก็กลับมาฝึกเรื่องกรรมฐานโคงกระดูอีกรอบหนึ่งทิ้งเวทนานทิ้งเวนานทิ้งเวทนานไปดูไปดูพวกอะไรอสุภะอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องรีบซ่อมเขื่อนให้เสร็จครับอาจารย์แล้วเดี๋ยวมารายงานผลการซ่อมแซมครับผมว่ามาดีกว่าเดิมหรือว่าซ่อมไม่ได้พยายามทำเรื่อซ่อมได้ซ่อมได้ จาบพระอาจารย์ขอพรเลยครับพระอาจารย์พยายามดีนความทำทำได้ดีนะครับพระอาจารย์ได้ครับผมจะซ่อมเขื่อนมาให้พระอาจารย์ครับผมอออย่างน้องตาท่านก็สมายที่ท่านก็สิ้นท่านก็ใช้พุทโธพุทโธ ท, ทั้งวันเลยแล้วมันก็กลับมาครับอาจารย์ก็เราก็ต้องไปซ่อมของเร า, า่ะเราพุทโธ ท, ทั้งวันดูเ ได้ครับพอาจารย์จะลองทำดูครับเด็กน่าายังแรงนะอยู่นนานนะแรและไดถึงพุทธะนะคของอาจารย์นะคะโอเคอ่าเอาตอนนี้ก่อนนะขอบคุณความเมตตาอาจารย์ครับก็อยากไปทำออดิโอบุ๊กมาคุณยายงดีบ่าจะคเอาหน้าใตายายเลยครับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ ไปที่คนที่สาอันนี้กลับราบุกไทยแล้วเหรอยังค่ะพระอาจารย์ไม่ได้กลับเลยค่ะก็คงจะเป็นปีหน้าค่ะพระอาจารย์คาดไว้คิดว่าคือจะต้องย้ายมาออกละครในอยากทำใช่ค่ะใช่ค่ะเอเองคิดว่าคนญี่ปุ่นเขจะชื่อแน่นนโอ้ค่ะเขาคงปีหน้าค่ะพระอาจารย์ค่ะคือจริงๆมี ที่แพลนไว้ปีนี้มันก็ปัจจัยหลายมันติดหลายเรื่องค่ะกตอนนี้ต้องก็ต้องทําเรื่องขายบ้านค่ะจ่ะก็วุ่นวายแต่ก็ก็ช่างต้องต้องอยู่กับมันให้ได้ค่ะจ้าก็ก็มาเกิ้าก็ต้องยิ่งใช่ค่ะคระอาจารย์ก็อย่างที่พระอาจารย์ mm. ทเทนเมื่อกี้ที่พระอาจารย์บอกว่าอยู่กับความว่างดีที่สุดอะค่ะลูกเข้าใจเลยค่ะ ไม่มีอะไรคือความสุขที่สุดค่ะค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ก็อาทิตย์ที่แล้วลูกก็ได้เข้าไปดาวน์โหลดหนังสือกายคตาสติอะค่ะอค่ะโอ้โหชอบก็คืออินมากตอนนี้รู้สึกว่ามันมันถึงใจค่ะค่ะอาจารย์ ค่ะมันเป็นเป็นของหลวงตาที่เทศสอนสอนคะใช่ไหมคะใช่สอนปะเกี่ยววิธีพิจารณาสุภาษณ์ในรูปค่ะค่ะก็ถึงใจดีค่ะลูกชอบค่ะแล้วก็แล้วก็พอไว้ฟังวิสัชนาธรรมที่พระอาจารย์พูดอีกครั้งเกี่ยวกับกายยกตาสติอะค่ะมันยิ่งทำให้ลูกรู้สึกว่าลูกอินอะค่ะแล้วมันช่วยในการปฏิบัติธรรมของลูกมากขึ้นค่ะ แล้วทําให้ลูกรู้สึกว่ามันใจมันนิ่งแล้วก็นั่งมากขึ้นแต่ก่อนลูกจะนั่งแค่แบบพืดหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงครึ่งตอนนี้ลูกสามารถนั่งได้ถึงสองชั่วโมงค่ะแต่ว่าพยายามที่จะไม่ลุกก็ค่ะปกติลูกก็จะปฏิบัติทําประ ม, มาณสองสามชั่วโมงแต่ว่ามันมีการเดินสลับบ้างอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือลูกก็นั่งได้นานขึ้นนะคะสองชั่วโมง อะมันช่วยได้มากขึ้นมันเหมือนกับว่ามันสกัดกิเลสที่ลูกยังติดเรื่องการปล่อยวางร่างกายเครื่องเอ่อเกิดแก่เจ็บตายอะไรอย่างเงี้ยออกไปทําให้มันมันมันไม่กังวลไม่ต้องกังวลใช่ไม่กังวลนะคะแต่พระอาจารย์คะลูกก็คิดอยู่ว่าลูกก็กลัวมันจะเสื่อมเหมือนกันลูกก็คิดคิดว่าทุกวันลูกก็จะคิดว่าเอวันนี้เราพอพออีกวันข้างหน้าเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะ เสื่อมไหมเราจะแบบมีอะไรกระทบเข้ามาไหมแต่ลูกรู้สึกว่าวถ้าเรารักษาไว้มันก็ไม่เสื่อมค่ะแต่ลูกรู้สึกว่าการคิดแบบนี้ทำให้จิตใจของลูกมันนิ่งค่ะคือมันเหมือน <ừ> มันไม่ทุกข์ค่ะ <ừ> มันมันทำให้แบบรู้สึกแบบปล่อยวางอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันทำให้เรารู้สึกแต่ไม่ไม่ใช่ว่าทำให้เราทอใช่ไหมคะไม่ถึงแบบไม่ทำให้เราท้อถอยใช่ไหมคะ ทำให้เรารู้สึกว่าไม่ดูเรา้เปลาไม่ค่ะไม่ทก็ไม่ใช่ค่ะพระอาจารย์น่าจะเป็นคนวิตกกระเดนนิดหน่อยเาะใช่ค่ะพระอาจารย์เป็นคนทะนงนอยเป็นคนวิตกกิแบบอะไร่อไม่ใช่เหไม่ใช่เหตุผลแค่กาไใที่เรารักษามันเราทำันติดต่อเนี่ยมันก็ไม่ก็ไม่เสื่อมค่ะลูงชอคิดถึงค่ะพระอาจารย์ถ้าเราไม่ทํามันจะเสื่อมมันดูที่การกระทำของเรา ใช่ค่ะคระอาจารย์ลูกชอบคิดถึงวันแบบวันข้างหน้าอย่างเงี้ยคือแบบบางทีเนี่ยต้องแก้ตรงนี้ด้วยค่ะลูกจะไม่ค่อยอยู่กับบางทีมันใจมันจะไปข้างหน้าตลอดไม่ยอมอยู่กับปัจจุบันนะคะอืมไปข้างหน้าถ้ามันจะไปข้างหน้าแล้วมันไปหาความตายข้างหน้าเรามันความตายตลอดมันมื่อคิดถึงความตายมันก็มันกับมันก็กลับมาอยู่ปัจจุบันเอ่อก็เน่อได้ได้ค่ะค่ะอาจารย์ อ๋อให้คิดถึงความตายว่าสุดท้ายเราก็ต้องตายอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราจะได้คิดทําไมเนาะเราก็ต้องอยู่กับปัจจุบันสิเออต้องอยู่กับปัจจุบันอ๋อได้ได้ไดค่ะอาจารย์เราวเวลาคิดเรามองไปข้างหน้าเราไม่เราไม่ไป ม, ม, ม, มองที่ที่สุดทางมองแค่ขั้นตอนว่ากำกวมด้วยตกต อ, อ๋อค่ะอาจารย์คือลูกคนฉิคือแต่ก่อนลูกจะเป็นคนแบบ perfectionist เนี่ยคือแบบทุกอย่างต้องดีอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ตอนที่แบบทําร้านทําอะไรก็จะแบบคิดเยอะแล้วเป็นคนคิดเยอะคิดว่าแบบฉันต้องทําให้ดีอะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรประมาณเนี้ยค่ะมันก็เลยเติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมต้องคิดถึงความตายเอาไว้ว่าแบบสุดท้ายแล้วก็ต้องตายอยู่ดีเนาะอะไรเงี้ยถ้า<อ>เรากังเกี่ยวกับนาคโงว์กังวลทำไมในที่สุดมัตายนน่านนต า, ายค่ะพรอาจารย์ค่ะอาจารย์ จริงๆลูกก็คิดนะคิดถึงเรื่องมรณานุสติตลอดแต่ว่าไม่ได้เคยคิดถึงเรื่องตรงจุดตรงนี้ว่าเออถ้าเกิดเราเป็นกังวลสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราคิดถึงเรื่องความตายมันก็จะเออเป็นปัญญาที่จะค่ะค่ะวันนี้พวกนี้จะตายวันพรุ่งนี้ก็ได้ใช่ค่ะพระอาจารย์มันไม่ใช่จะคิดตามมันจะเป็นไปตามที่เราคิดเสมอไปให้ไหนใค่ะพระอาจารย์รู้จําได้บางทีพระอาจารย์ก็จะพูดเสมอว่า สุดท้ายมันก็ตายอ่ะอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ค่ะน้อมนําปฏิบัติค่ะพระอาจารย์พอมันแหงสุดจบมันก็ไม่รู้มันก็ไม่รู้จะไปกังวลทำอะไรใช่แต่บางทีลูกก็พูดเหมือนกันนะบางทีคนข้างๆก็จะบอกว่าเออเป็นอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยคือแบบบางทีก็พูดยากค่ะคนที่แบบว่าเขาไม่เข้าใจพอแล้วไม่เข้าใจคุณจะไม่รู้เรื่องค่ะค่ะเขาก็บอกว่าแบบทําไมต้องพูดตายตายตายตายมันพูดไปมันเหมือนมันไม่มันไม่ดีอะไรเงี้ยลูกก็ ก็ถไม่ได้ไม่ได้ตอบโต้ค่ะอาจารย์ค่ะน้อมนําปฏิบัติค่ะพระอาจารย์ไม่ให้อาจารย์ทาดฉันแรงๆนะคะค่ะถ้าพระอาจารย์มีหนังสืออะไรที่เกี่ยวกับแบบนี้อีกก็โพสต์มาอีกได้นะคะลูกชอบค่ะสาธุค่ะค่ะสาธุค่ะไปที่กุญแจเชฟายการมัสการอาจารย์ครับ วันนี้เข้ามารูปรับฟังครับอาจารย์นี่ที่หาครับโอเคครัสบายดีนะครับสบายดีครับอาจารย์ครับปฏิบัติทุกเช้าทุกเย็นนะครับยักมาราระดับการปฏิบัติไว้แล้อย่าให้ย่อหย่อนให้มันเติมขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆครับผมชุกนี้ก็มันก็สงบดีครับอาจารย์ครับในช่วงเช้าครับอาจารย์ในช่วงเช้านี้ทุกเช้าว่าคับตื่นยังไงก็ต้องตื่นนะครับตื่นตัวเองขึ้นมาครับตื่นขึ้นมา มามามาก็นั่งซัดกันเลยเอากันเลยอย่างนี้ยครับตอนเช้าครับตามเส้นแล้วก็พิจารณาธรรมเอาจากสมาธิมาก็พิจารณาธรรมว่าเกิดแก่เกิดตายนะสุภาพาตาสารสิสสองอะไรครับก็ดีนะครับครับก็ครับผมพี่นาพี่นาอาการสาริสองอยู่ครับหลังจะกออกมาครับเพราะว่ามันนานไปมันมันปวดทนปวดเนื่อไหวก็ ใช้ปัญญาไปก็นั่งพีดาไปครับอาจารย์ทำดีทำครับผมครับผมขออธิษฐานอาจารย์ถึงแรงครับผมคุณสุัาพนาจากบริเวณชลบุรีกร่าวนามสการเจ้าค่ะเข้ามากราบพระอาจารย์แล้วก็มาขอรองฟังธรรมเจ้าค่ะไปที่เซาท์แคนซัส USA คุณยินดี สวัสดีคะ่ะท่า น, านอาจารย์ก็มาร่วมทองธรรมค่ะแล้วก็เข้ามากราบเท้าอาจารย์ค่ะเดวิดฝากราบด้วยคะ่ะแล้วก็บอลซองเต้นเหมือนเดิมกันมาเช้าขอบคุณไปด้วยนะค่ะท่านอาจารย์ขอพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะสําหรับความเมตตาอ่าถึงบคุณยอยหญิงอาจารย้อยหญิงย้อยหญงกลับมุสัการพระอาจารย์เจ้ า, า, า<ม>ค่ะดีใจมากเลยค่ะวันนี้เข้ามาเร็วได้ฟังธรรมพระอาจารย์เอช่วงต้นเจ้าค่ะซึ่งมากชอบมากเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ พระอาจารย์ก็โยมก็ตั้งใจปฏิบัติอยู่ทุกวันแต่เมื่อเช้าอะโยมต่อสู้กับกิเลสมากเลยพระอาจารย์คือโยมโยมรู้สึกตัวตอนตีอโยมรู้ว่าคือเช้าแล้วคือประมาณนโยมจะตื่นมาประมาณตีสามครึ่งตีสี่ประจำอะค่ะแต่เมื่อเช้าเนี่ยพระอาจารย์ตาแบบคือรู้ว่ามันตื่นพระอาจารย์แต่ตามันลืมไม่ขึ้นคือตามันหนักมากพระอาจารย์คือเป็นเป็นเนี้ยครั้งครั้งที่สองแล้วค่ะคือมันหนักแบบหนักแบบ คือไม่เคยตาหนักอย่างนี้พันก็ฝืนพยายามแบบฝืนลืมตาพยายามสุดท้ายแล้วก็ฝืนได้พันลืมตาได้ก็ลุกขึ้นไปนั่งสวดมนต์นั่งสมาธิตามปกติเจ่าค่ะโหกิเลสมันแรงมากพระอาจารย์แบบโอ้โหแบบมันมีมันลูกเพี้ยนเยอะนะใช่เพรามันหนักแบบไม่เคยหนักแบบนี้พระอาจารย์เหมือนกับคนที่กินยานอนหลับหรือว่าแบบโอ้โหมันมันรุนแรงมันลืมไม่ขึ้นเลยพระอาจารย์อ้างที่ตื่นไหมเจ้าคะตื่นแต้าจะตนเที่ยวถจะตื่นไปเที่ยวที่มันไม่หนักเลยนะ โยมไม่เคยแบบคือใคร เ, น, เนีเป็นเป็นครั้งที่สองของาจารย์ <c oughs> แต่โยมก็สู้ออกัเขาได้ว่าบึ๊บขึ้นมาแล้วก็ลุกขึ้นมา ป, ปกติก็พอลืมตาก็หายเลยค่ะอาจารย์นก็คือปกติเลยนะคะ <c oughs> แต่ตอนนั้นก็แต่ว่ากกจะลืมได้หูแบบสู้กันแบบมากกิเลสื่งของกิเลส <c oughs> ใช่มันรุนแรงถึงถึงว่ามันแรง ถ้าเราแพ้เราก็จะหลับต่อพระอาจารย์เพาเราลืมไม่ขึ้นนะคะแล้วนี่ก็นั่งนั่งมาฟังพระอาจารย์ตั้งแต่ต้นยิงไม่ได้เปิดมันยังไม่ได้เปิดแอร์เลยนะค่ะก็อยู่ร้อนก็ร้อนไปก็อยู่ที่แตที่พระอาจารย์บอกร้อนก็ปล่อยให้มันร้อนค่ะทําได้อยู่ค่ะพระอาจารย์ค่ะสาธุกับพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์รักษาธาตุขันธ์นะคะอสาธุค่ะคุณบรลลิกาดาราเทวาน่ัไงวันนี้แม่ลูกสองคนแม่โผล่มาไปไหนแม่ เขกาบนมัติการเจ้าข่าพเจ้าก็อาทิตย์ที่แล้วที่บอกว่ามีพัดลมเนี่ยพอดีมือหนูอ่ะนึกข้าพเจ้าก็ขอสมาระ้าจาจ้าด้วยก็พอดีพอต่อมาก็ไปตรวจก็เป็นโควิดข้าพาจย์อืมแล้วได้เป็นโควิดก็แต่ไม่เปยนไรก็วันนี้ก็ก็ได้หนังสือนั่งเดินทางมาก็ก็ได้ได้ทั่งอ่านก็ ก็ไม่สุขสุนมากไม่ต้องไปตากแดดมากนล้วบ้านอาจารย์ก็ได้มาพิจารณาตัวเองว่าเออเป็นยังไงบ้างก็โอเคแล้วก็คุณพ่อนั้นไปฉีดวัคซีนหลายวันแล้วก็ดีก็ได้อยู่คนเดียวตามลำพังจังหวัาอาจารย์เวลาเป็นโควิดต้องกินยาอะไรไหมปะก็ไปหาที่คลินิกนั้นคุณหมอก็ให้แค่ยายาแก้ แก้แก้ไขนะแล้วก็อย่ารดน้ำมูแล้วก็ฟ้าทลายจูนแค่นั้นเองค่ะพี่อาจารย์แล้วก็แล้วก็อย่าแก้ไอนิ่งต่อยแล้วก็ไปตรวจดูแล้วแล้วก็ปอดไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็ไปตรวจดูแล้วเพราะว่าเออไม่ได้ลงปอดไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่าตอนเช้าๆเราก็ออกกําลังกายอยู่ ก็คือไปดายญ้าบ้างสกินบ้างเลยรลักษณะทาเาอยู่บ้านๆค่ะว่าจ่าไม่ปวดเนือไม่ปวดจาเนื้อตามน้ำใจไม่ค่ะพระอาจารย์ไม่ไม่เลยค่ะแต่ว่าก่อนก่อนหน้านี้ก่อนที่มานั่งลงนั้นไอนี้หยุดพอไปใช้น้ำเกลือพวนปากหน่อยนึงก็เอาอาการมันก็ดีขึ้นแล้วค่ะแต่ว่าก็ก็หมอให้ยามาแค่สามวันเองค่ะอาจารดี แสดงว่ามีภูมิอยู่บ้างนะแก้วค่ะพระอาจารย์เพราะว่าตัวเองเป็นคนที่ว่าชอบชอบออกกําลังกายอยู่ไม่ได้นิ่งค่ะพระอาจารย์อยู่เป็นคนที่อยู่ไม่ได้นิ่งาาค่ะเออเกษียณมาแล้วว่าอยู่ไม่นิ่งทําโน่นนี่นั่นทําไม่ได้หยุดอะไรลักษณะอย่างนี้เพราอพอพ อ, พอเป็นแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่ว่าก็ไปหายากแก้ววัดที่นนามัยมาก็ร่าง<อ>กายแข็งแรงร่างกาย อากาศวันนั้นอากาศร้อนมากเลยค่พะพ่อจานต้องใช้พัดลมต้องใช้พัดลมโอ้องอยู่อยู่ไม่ได้ก็พัดลมแต่ว่าก็ตั้งแต่นั้นมาก็ ข, ข่มปากบ้างเจ็บคอบ้างมัน ม, ม, มันมีอาการปั่นป่วนไปหมดกินข้าวก็ไม่ค่อยได้ก็เป็นอะไรสักทีนะาะก็เลยเออไปไปเช็คดูดีกว่าว่ามันเป็นอะไรค่ะตรักษเด <I> did, ตตีร <I did, S 1> <no. S 2> ักษาคนเดียว คุรทานีคุณค่ะดาวนวัสการพระอาจารย์วันน <again>. ี้เข้ามาลงฟังถามค่ะไม่มีคาถามค่ะอกิษกรนครคุณพฤหสนครนครดาวนวัสการพระอาจารย์ครับไปก็ ทำอยู่ครับพ่อจาย์ก็อฝึก ส, สมาธิตอนนี้ก็อที่พ่อจารย์บอกเคยบอกเอาไว้ว่าเออเวลาที่บางคนที่เขาเห็นโน่นเห็นนี่พ่อจาย์บอกว่ากิเลสมันหลอกไปแล้วพาา่อจันบอกอย่างนี้ mm hmm. ที่ผมอผมภาวนาไปก็ก็เอมันก็เห็นในสิ่งที่เอความคิดเราคิดไปนั่นแหละความปรุงแต่งไปนั่นแหละ mm hmm. มันเป็นความคิดที่ไม่มีความจริงอยู่ในนั้น อจิตก็เลยลงไปในคําบริกรรมพุทโธเนี่ยโดยจิตมันเท่าที่ผมดูเนี่ยมันจิตมันจะดิ่งลงไปในคําบริกรรมพุทโธเพราะว่าคําบริกรรมพุทโธตัวนั้นนะมันเป็นมันเป็นของจริงแต่ว่าไอ้ตัวความปรุงแต่งตัวนั้นนะเป็นของปลอมที่ไม่มีสาระอะไรอทีนี้จิตมันก็จะมันจะตัดจากอารมณ์ภายนอกนั่นแหละว่ากันง่ายๆที่ที่ผมสังเกตดูนะว่าตอนที่มันลงไปมันมันไม่มันไม่มีอารมณ์รบกวน ก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะมาถูกทางแล้วครับอาจารย์การถ้ามีพุทโธถึงทารถ้าไม่มีพุทโธจะลงทางครับตัวคําบริกรรมพุทโธตัวนั้นอนะ่ะมันจะชัดเจนขึ้นแต่ว่าในระหว่างที่จิตมันดิ่งลงไปเนี่ยมันก็จะมีอารมณ์ต้านก็คืออารมณ์อารมณ์ภายนอกนั่นแหละมันมันต้านอยู่แต่ว่าจิตมันก็เห็นเห็นในคําบริกรรมพุทโธนะมันเป็นของจริงอยู่อยู่ข้างในนน จิตก็เข้าไปหาคําบริกรรมพุทโธครับอาจารย์อดีมันมันถ้าเปรียบก็คล้ายๆกับอถ้าผมคิดผมก็คิดว่ามันเปรียบเหมือนอสะพานไฟแรงสูงเวลาที่เขาจะสับสะพานขึ้น่ะสะพานไฟมันผลออกจากเบ้ามาแล้วแต่ว่ามีกระแสไฟไหลอยู่มันก็จะตัวนั้นแหละต้านพอสะพานไฟตัวนี้ผางออกไปห่างออกไปกระแสไฟนั้นก็หมดหมดแรงต้านไปครับอาจารย์ก็จะจิตเราดิ้งเข้าหาคําบริกรรมพุทโธก็จะประมาณนั้นครับอาจารย์ ก็ประมาณนี้ครับอาจารย์ครับตาบขอบพระคุณอาจารย์ครับ yeah, s <S อยากกิก์กาแฟชาาตานีสนุก ค, ครับหูดังๆเลยผ่าลยขอบขอบขออภัยเป็นอย่างสูงครับช่วงช่วงนี้ก็จิตใจดีครับแต่ว่างานงานมารุมเราแล้วก็คนอื่นส่วนใหญ่จะมามีปัญหาแล้วก็มาเอาเปรียบ ส่วนใหญ่เราก็ใช้ความจริงไปใช้อะไรไปอ่ะครั บ, บคิดว่าเป็นกรรมของเราแล้วกันครับคิดว่าเป็นกรรมใช่ครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือรับกรรมแล้วก็มันก็นกรรมนันทำอะไรได้บรร้างแต่แต่ครับแต่จิตใจข้างข้างในเราก็ผ่องใสครับผ่องใสแล้วก็คิดว่าบางทีทํางานเหนื่อยเราก็คิดว่าทุกข์ก็ก็พิจารณาทาว่า ตอนนี้แหละทุกเพราะว่าพระเจ้าตัดมาให้ให้อยู่กับให้ให้อยู่กับทุกข์ให้ได้ครับอย่าอย่ายินดีกับคําชื่นชมแล้วก็อย่ายินร้ายกับคำติครับก็พยายามรักษาตรงนี้ครับพระอาจารย์ทําไปเรื่อยนะครับไปที่พัทยาบินตายพร้อมกลับนมัสการครับพระอาจารย์อ่ายัางไง ก็แพ้กีเลสรับค่าวครับอาจารย์ใช่ครับไม่ไม่มีข่าวดีเลยมีแต่ข่าวร้ายะก็ก็ไม่รู้ว่าตัวเองแพ้ได้ยังไงค่ะพระอาจารย์แต่ว่ามันเวลาเราเพียใจเนี่ยเวลาเราไม่มีสติมันก็เลยแพ้ไม่ไม่ค่ะเวลาแบบเวลาหนูเจอปัญหาในในชีวิตอย่างเงี้ยค่ะจริงเราต้องหันหน้าและเดินทางเข้าวัดใช่ไหมคะ หนูกับพ้อไม่ไม่อยากจะไปวัดไม่อยากจะทําอะไรก็แบบว่าอยู่กับตัวเองสักแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวให้มันดีขึ้นแล้วค่อยแล้วค่อยเดินใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ไม่รู้ว่ากิเลมอนแล้วไหมเหมือนกับนําไม่สบายแล้วมันก็หล่ออย่าไปโรงพยาบาลเลยอย่าหายเองไว้ให้มันหายเองก็ได้ปวหัวปวยาอะไรอย่างเงี้ยไป ไปว่าจะเหมือนกับไปหาหมอไปหายาอะรักษาโรกใจอที่เลยมันจะบอกว่าอย่าไปเลยอยู่อยู่บ้านก็ได้เดีย๋ยวไปหาเองหายแลค่ลไปค<ร> <ไป S 2> ือการักเป็นอย่นี้ก็มันบ่อยมากเลยนะคะพรอาจารย์เวลาถ้ามีเรื่องทุกข์ใจหนูจะไม่จะไม่ไปตอนที่แม่อยู่เท่านะคะตอนที่แม่อยู่ถ้านหนูทุกข์ใจหนูก็ไม่เอาปัญหาไปให้เขาก็ไม่บอกใคร ก็<ร>ดูได้เองแล้วพอตอนนี้ตอนนี้แม่เสียหนูก็เวลาทุกใจหนูก็ไม่เข้าวัดอย่างเงี้ยมันมันมันจะเหมือนกันไหมหรือว่ามันคนละเรื่องกันเข้าวัดไม่ได้ไปเอาเอาเอ า, เอาเรื่องไปล่าคนาคนั้นคนนี้ไปทำเอาวัดเพื่อไปเอาสติเอาปัญญามาดับความคิดใจของเราค่ะ<ต>ก็ฟัฟังธรรมอะไรอย่างเงี้ยไปนั่งสมาธิ อารมณ์ามทุกข์ใจมันจะเบาบาไปก็อย่างเมื่อเช้าอย่างเมื่อเช้าก็ตั้งใจว่าจะมาจะจะไปใส่บาตรใช่ไหมคะปกติมันพวกก็จะไปแต่เราก็บอกว่าเออพักก่อนใจยังไม่นิ่งเลก็ก็พักก็เลยไม่ได้ไปแต่ตีสีที่ที่จะไปใส่บาตรตีสี่มันก็ตื่นแล้วนะคะตื่นแล้วก็ นอนพี่ไปพี่มาเอาไงดีเอาไงนี่สุดท้ายก็แพ้ก็ไม่ได้ไปัยก็อาจารย์เนี่ยค่ะดีดีเราแพ้นะะี่ค่ะหรือว่าพักถ้าให้มันสบายใจอะไรอย่างเงี้ยสงสัยกินเนลสหรอกอาจารย์ก็พยายามแก้ไขไปเรืออ่อยเรือยเงเป็นข้อบกพร่องของเราแล้วต่อไปก็พอตัอ้ตงใจไปแล้วก็พอเป่งอ้กมาแล้วรีบไปเลยอย่าสองจิตสองใจค่ะถ้า ส, สองจิตสองใจก็ล้มตลอด ต้องเด็ดขาดเด็ดเดียวนัปฏิบัติต้องเด็ดขาดเด็ดเดียวการโลเลโลเลก็พายพิเลยทันทีโอเคนะจะพยายามค่ะคุณสุนงสุดาดีไหสุงสุดาอยู่กรุงเทพค่ะอาจารย์ขับนมาเการ์กะ อายหน้าไปหลายหลายวันนะเป็นโควิดถึงอาจารย์วันนี้มีมีคําถามของเรื่องกาจารย์เรื่องแรกเรื่องเรื่องอารมณ์กลัวนะอาจารย์วันก่อนวันก่อนมีไป X-ray computer ค่ะอาจารย์เออพอดีมันมันมีอารมณ์กลัวกลัวขึ้นมาก็เลยก็เลยก็เลยใช้ที่ที่อาจารย์สอนมันก็เป็นเป็นหลักให้ได้อาจารย์ก็เลย ก็ก็มีอารมณ์ก็ก็แค่รู้ไม่ได้เป็นหูุ่หนิดว่าทํำไ้ต้องต้องกลัวหรือประมาณนี้ค่ะรช่ก็เลยหยู่หยุดอารมณ์กลัวมันลงแล้วก็มันาพิจารณาว่าตัวอะไรใช่ไคะอาจารย์มันเป็นที่แคบนะมันมีเสียงที่ดังตลอดก็เลยก็เลยก็เลยเหมือนมันคล้ายๆพิจารณาว่าพอดีเราก็ใช้วิธีหลักตามันก็จะไม่เห็นอะไรแล้วก็มันจะมีเสียงที่ทําให้เรารู้สึกมันมันเป็นมีใชนไหมก็เลยก็เลย รู้อยู่ตรงไปจนจนเสร็จนะครับอาจารย์ก็ก็จะมีอารมณ์กลัวขึ้นมาแป๊บเดียวแต่เราพออยู่ไปเราก็พิจารณาเหตุเหตุว่ามันเกิดจากวิธีการเสี่ยงครัอาจารย์ทีนี้หนอยากจะขอคําแนะนำอาจารย์เพิ่มนี้หนึงถ้ามันเป็นกรณีที่เรากลัวแล้วมันมีความเป็นความตายของด้วยอาจารย์อาจารย์แนะนําก็ต้องยอมตาที่กลัวว่ามันไม่ไม่ยอมตายมันอยากอยู่ ก็ต้องตยอมไปถ้ามันจะตายก็ให้มันตายเลยเราพิจารณาไม่ใช่ตัวเราเราไม่ได้เป็นมันค่ะเพอาะนี่เคยเคยมีเหตุการณ์ที่พอถ้าเราอยู่ใน ICU แล้วใส่เครื่องช่วยหายใจหนูผู้ปานและหมอบอกมาบอกมว่าต้องถอดแล้วยังหายใจไม่ได้เราก็ทำงานต้องถอดเครื่องช่วยหายใจมีมันจะติดเชื้อแล้วก็จะถ้ายังหายใจไม่ได้จะเจาะทีนี้มัน มันถ้าถ้ามันเร็วอะอาจารย์อันนี้มันมันเกิดม า, ม า, น า, นากม่านแหละมั่งใหญ่สอีมันเร็วแล้วทุกอย่างมันมันไม่รอครัอาจารย์คือมันก็ตรีมเราก็จนโนเอาลงเอาหมอนออกอุปรกรณ์มันก็มาเตรียมทุกอย่างถ้าไม่ทําำยังไงอาจารย์ท่จไม่ทันใช้ผู้ช่วยเดี๋ยวก่อนหเลยครับได้ถ้าเป็นทีไม่ทันก็ใช้สติไปก่อนอออได้อาจารย์จะจะนาไปอื สิงเวลาต้องใช้ใช้อะไรมนางไปปัญญาเขาปล่อยวางนะครับปัญญ<อ> า, ยายเขาล<อ>ป ล, าปลาา่อนนลยว่างเขาจะทําอะไรกับร่างกายเขาป่อยก็ทําไปเมื่อไรอยู่ในใ น, นจุดที่เราทำอะไรไม่ได้เขาปลา่อยตอนนี้ก็คิดว่าทําได้แต่ไม่แน่ใจว่าถ้ามีเหตุการณ์จริงมันจะทําได้ไ้มจะพยายามถ้าทําไม่ได้ก็ใช้มือนตอโไปขอบคุณครับพี่ช่อีคำถามเป็นเป็นเรื่องตัวตนนะคะครูอาจารย์ ครั้งที่แล้วถามะอาจารย์ว่าทำไมตัวเราต้องโกรธแล้วระอาจารย์ให้ให้แนวทางมาว่าเพราะเรายังมีตัวตนไปรับใช่ครับอาจารย์เราก็พยายามทำความเข้าใจตรงได้หลักตรงที่พระอาจารย์สอนมาว่าตัวตนมันเป็นสิ่งสิ่จิตสร้างขึ้นมาเองจริงมันไม่มีใช่คอาจารย์ความดีไม่ใช่เป็ดแคต่โรู้ให้รู้เฉยๆดนวัตถุคิดให้รู้เฉยๆไป แล้วไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องคิดอะไรเฉยๆไปไม่เฉยๆไปใครชมก็รู้เฉยๆไปใครด่าก็้เฉยๆไปมันก็มันก็ไมนต้องไปตอบโต้มันต้องไปยินดีอะไถ้าเราเฉยๆได้ถ้าเฉยไม่ได้เราก็อฝึกสมาธิให้ให้มีรูเบกขาล้วเรามันจะเฉยได้อก็คือตอนตอนที่มีคนมา บอว่าถ้าทำเฉยๆจับเวทความรู้สึกของนั้นได้ถ้าเฉยไม่ได้ก็มึนเโถมึนเโถให้มันเฉยแต่ถ้าถ้าเฉยได้ก็คือแสดงว่าเราเราเรไม่สติเรไม่รู้ทันเรากวนมันเฉยอ๋อก็คือเราจะไม่สร้างตัวตนขึ้นมาใช่ไหมจสัตว์แว่ารั้เัาเอาตัวรู้ออกไม่ใี่เอาตัวตนไปรับเอาตัวรูงไปรั้ผู้เฉยๆถ้าตัวตนมัรับมันเรียกหน้ามีกติกิริยา มัน อ, อ, อีกเหตุการณ์หนึ่งอย่างตอนที่เรานั่งสมาธิพอออกจากสมาธิใหม่ๆเนี่ยจ้าเรายังยังอยู่ในท้านั่งเรายังไม่ลุกทีนี้บางบางครั้งมันก็จะมีเวทนาให้เราซ้อมหรือมันจะมีความคิดขึ้นมาบบเรื่องงานเหตุการณ์ที่เราให้ไม่พอใจเนี่ยสักพเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมนคนนั้นต้องทำแบบนี้แล้วก็เริ่มเป็นอารมณ์โกรธ น, นี่อันนี้มันคือมันคือทางที่ผิดที่มันจะ มันพยากามมีตัวตนตัวตนนัวตนิั่นนันี่คือถ้าถ้าออกจากสมาธิแล้วมีแบบนี้ขึ้นก็จะแบบมันก็จะรู้แล้วหใจนร้อนมันมันเริ่มีตัวตัวเราขึ้นมก็ยุดตัวตัวคิดปรุงแต่งตัวตัวคิดปรุงแต่งเป็นตัวที่เลิตตัวตรงนั้มา แต่ถ้าในเหตุการณ์จริงมันมันจะยากนิดหนึ่งค่ะอาจารย์ต้องต้องฝึกอย่างเดียวนลคะอาจารย์กต้องต้องรู้หต้องตงให้ทําปิกสมาธิเยอะๆจิตมันจะได้ชฉยเหตุตรงนี้มันคือเหตุแหงทุกข์หรือเปล่านะคะอาจารย์จิตที่ไปมีตัวตนมันก็จะนำมาที่ความโกรธต่างๆมาค่ะใช่มันก็จะนำมาเส้นความโกรธค่างๆามอย่างต่างๆ ถ้านไม่มีความไม่มีตัวตนมันก็มันก็ไม่ต้อจะไปโลกไปหาอะไรโลกไปให้ใครเมื่อไม่มีตัวตนใช่ไหอาจารย์ยแล้วคําถามที่มันเกี่ยวข้องกันคําว่าตัวตนจะได้ยินเสมอเวลาที่อาจารย์บอกว่าสิ่งทั้งหลายเป็นนัตตาไม่มีตัวตนตัวอย่างค่ะอ<ค>าจารย์มั น, นดินฟ้ากัดทุกสิ่งอย่างมันเป็นดินฟ้ากัดน้กายนั้นก็เป็ดินฟ้ากัน มันทำมาจาก่านดนน้มไฟนะธาถ้าว่าเป็นร่างกายใจเราก็เป็นแค่านมแล้วก็ใน่านรู้ก็มีความรู้สึกนึคิดทั้งนั้นเความรู้สึกนึคิดก็ไม่มีตัวตนดวงลุมก็ไม่มีตัวตนัวงตอนไ่เกจากความหลงนี่จิตชาปนไเองเ็คมสย บนโบรณเป็นหนองคิดโลกนี้แบบเนียใช่มมันแบนรบรอาไม่แบบเนี่ยแต่คนก็คิดเนี่ยพราะเห็นว่ามันราบใช่ไหมโลกมันใหญ่ตัวเราเหมือนเหมือนเหมือนตัวเล็กเหมือนมดแะ้รก็แลยแต่อยู่บนบนผนซ่อมก็คิดว่าผนซ่อมทั้งนั้นแบนะช่ไหม แปล ว, ว่านี้เราเข้าใจผิดว่าจิตมันมีตัวตนใช่ไอมจ๊ะน่เาเข้าใจผิดว่าเราเป็นตัวตนจิตเป็นตัวตนร่างกายเป็นตัวเราอะไรไปอขอบขอจบคุณอาจารย์พอเราทํามสมาธิหยุดคิดปรุงแต่งว่าตัวตนจะหายไปหมดนะเราจะรู้ว่าตัวตนมันเกิดจากความคิดปรุงแต่งอะไรแล้วก็มาปรุงแต่งใหม่ปรุงแต่งไม่มีตัวตน แก่ไหมแกความทิด okay. ส่วนส่วนอีก อ, อีกนิยามนิพนธ์ ต, ตามันบังคับบัญช้าไม่ได้มนะันไม่ใช่ตัวเราก็มันเป็นธรรมชาติเราเป็นบังคับธรรมชาติได้เนะอจิตก็บังคับไม่ได้ความคิดจะนานาก็บางสว่วนก็บางสว่วนก็บางส่วนก็ควบคุมได้แต่บางส่วนก็ควบคุมไม่ได้ความคิดขอางานี่ถ้าเรามีสติล้วก็หยุดมันได้เนหะ็น หรือสอ น, นเนี่ยเราไปทิ้ไปอีกทางหนงก็ได้แต่ก็ไม่ได้สา ม, มารถคุมมัได้ทุกอย่างสิ่งที่เราในจิตเราควบคมไม่ได้ก็คืออารมณ์ต่างๆอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีเพราะมันมีเหตุมีปัจจัยมาปูนแต่งให้มันมีอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดี บางทีก็เป okay. ็นความคิดบางทีก็รูปเสียงเก่งบางที่เราไปสัมผัสนับรู้มาแล้วมาทําให้เกิดอามตกต่างกันคก็วิธีแก้ก็คือที่พระเจาสอนมาเสมอก็คือให้สักกอดรูแล้วก็เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็ดับเองเราไม่ต้องไปยินดีร้ายอะไรันนั้นสารเสื่อยินทางแล้วถ้าสมมติว่าเราเราพอที่จะหาสาเหตุว่าเราเหนี่ยวถงเพราะอะไร ก็อยู่ได้ก็อยู่ได้แล้วองจารมันถึงะนามวยจะทำใจให้สงบพอเข้าใจนะคะอาจารเข้าใจค้ขอบขอบมคุยมาอาจารย์เป็นอย่างดค่ะโอเคครับคนี่คุณเด้งคุณเด้งอาจายเห็นไม่มีไม่ไม่ไม่ทอเลยไม่รวมสวัดีคสวัสดีค่ะอาจารย์สวดีจ้า อันนี้เอาลงเอาเอาพวกมาเกิดก้าวมาแลยครับให้มาเก่าเป็นสิริมงคลค่ะอ่าดีค่ะการไหว้พระนะต่อไปเวลาไปบอกไปข้างนอกเห็นพนระเดินบาก็ยกมาไหว้นะ อ, อย่าเดินอย่าเดินชนพระนะเด็กสมาธิบางทีเห็นพระเดินเป็นตะบารแบบนี้นึงมันไม่สนใจมันเดินชนไงถ้าเราไม่หลบเราก็นชนเราแหละครับ พ, พ่อแม่ไม่สั่งสอนไม่ไม่รู้จักที่สุดที่ต่ำมองพระเป็นเหมือนขอ่อาน<อ>ต้องเชื่อฟัออง พ, พ่อแม่นะคร<อ>ับกรับมวัสการพระอาจารย์ค่ะพอดีหนูได้ฟังที่พระอาจารย์ในธรรมะค่ะพูดถึงในคลิปอะค่ะที่ว่า ละการติดสุขในชาหนะคะคุอพระอาจารย์อันนั้นเป็นเป็นขั้นสุดท้ายตอนที่เราติดเราติดโลกล่าะ้วนสันนิษฐานสุขมันใช่ไหมทางตาเราจะมองดึงกายการที่เราจะละได้เราก็ต้องมีชามาเป็นตัวแทนมาเป็นตัววิธีเปลี่ยนหาความสุขเป็นหนึ่งเครื่องมือเครื่อมือที่จะทําให้เราละละ้วนสันนิษฐาสุกได้ พอเราละล้าอยู่สุวได้้วเราก็มาติดข้างบนเนีเจ้าค่ะแล้วก็ต้องละตัวตัวข้างบนไปด้วยเพราะตัวข้างบนั้ก็เป็นอนิยธรรมทุกข์ขันธวานาฏานนิจครับเจ้าค่ะรูกประชารลูประชานันก็ไม่เที่ยงมันไม่ได้มันไม่ใช่สงกตลอดเวลาใช่ไหมเจ้าค่ะเพรเวลาไม่สงบมันก็จะทําให้เราทุกข์เมื่อเราไปติดสุขมาติดความสงบ แ ล, wow. แล้วก็ไม่ต้องติดความสงบมันจะติดสิตใจกไม่สงบก็ไม่ไม่ก็ปวดเป็นปลายตาทางประชาตกมันก็เป็นอันนี้จัง ไ, ไม่เทียมแต่ว่าหมายความว่าอย่าไปยางอยา่ยาไป ม, มีความอยากใหก้มันสงบถ้าถึงจุดนั้นแล้วยากไปอยากปล่อยไหมหมดมันจะไม่สงบก็ปวนไม่สำบไปมันมันมันเพียงเป็นคน น, <S <S น, นั้นแนวไปมตอนนี้เราเริ่มปฏิบัติแล้วต้องคอยทําให้มันสงบนะเจ้าค่ะ อย่าอเราไปถึงจุดที่เราปล่อยปล่อยเรื่องการได้แล้วเราก็เราก็เรามาปล่อยเรื่องตัวตัวความสงบในี้ด้วยเรความติดในการสงบอจิตจะสงบไม่สงบก็ก็ปล่อยมันไปตามธรรมชาติเราอย่าไปทุกข์กันเมื่อเกิดความอยากให้มันสงบเมื่อเราไม่สงบมันอยากให้มันสงบก็จะทุกข์ขึ้นมาอืมเจ้าค่ะ แต่วา่าระดับพระระดับแบบธรรมะสูงๆอย่างข่านอานาคามีแล้วท่านก็ยังต้องฝึกสมาธิอยู่ทุกวันทุกวันตลอดเวลาใช่ไหมเจ้าคะคุณ่อว่าฝึกไม่ไม่เฉยมันเป็นเป็นมันเป็นัอตนทรบัติไปแล้วอะเข้าใจอะไรนี่มันมันเข้าได้เป็นปกติแต่ถ้าเป็นเข้าแสดงว่ามันมันเต็มเวลาจิตไม่สงบก็ มัเข้าฌานเนี่ยไปทำให้มันสงบมันก็่ยั่ดเต็งทุกครั้าที่จิตไม่สงบก็ต้องไปเข้าฌานมันก็ยังต้องมีภาระต้องทํางานไปเรื่อยๆถ้าไม่อยากจะมีภาระไม่มีงานทํางานก็ปล่อยให้มันจิตมันจะสงบ ก, ก็ไม่ก็ปล่อยให้มันไม่สงบไปไม่ต้องไปทาให้มันสงบเจ้าค่ะแล้วใจก็จะไม่ทุกข์ ใจทุกข์เกิดจากความอยากให้จิตมันสมมงบเจ้าค่ะพราใจไม่ทุ่มจิตมันก็สงบขอกมันเองเลยไม่ต้องไปทํำอะไรอืมเจ้าค่ะมั น, ม, นมันค่นมันค่อนข้างจะซับซ้อนสองตัวนี้ตัวอยากให้มันสงบกับตัวสงบเมื่อไดเกิดจากการไม่อยากเจ้าจค่ะนัาต้องไปปฏิบัติดถึงจะเข้าใจเจ้าค่ะ ในแนวนึง่งในแนวหนึง่งเขาจะต้องขับใจให้สงบเพราะมันจะมีจุดหนึ่งมันจะสงบไม่สงบ ก, ก็ต้องปล่อยมันไปถ้าต้องการจะถ้าถ้าตองการที่จะเห็นว่ามันเป็นอนิยจักรทุกกรรมฐาตาอ่อเจ้าค่ะในกรรมฐานทั้งสี่สิบกองอะ่ะเจ้าค่ะคือเราฝึกแค่กองใดกองนึงใ ช, ใช่ใช่่ไม่ได้ ต, ต้องใช้ทั้งสิบกองเหมือนเชื่องมือในในใน ในก่องของชั่นเวลาซ่อมไม่ได้ใช้ทีทั้งหมดใช่ไหมแล้วแต่ว่า ต, นตอนเราใช้กับส่วนไหนก็เอาเอาชิน้นเอาเครื่องมือชิน้นนั้นออกมาใช้เป็นไขควงวลมันมีหลายขนาดมีหวัวเกลียวหวัแหวแบนอะไรหัวแล้วก็ไอ้ที่คันนั่นก็มีหลายขนาดกอขึ้นอยู่ที่ว่านั่นที่เราต้องคลายมันขนาดไหนแล้วก็เอาตัวนั้นมาใช้อย่าง การจะใช้กรรมฐานเนี่มันก็อยู่ที่แล้วเราเราต้องการอะไรต้องใช้อะไรถ้าเกิดความโกรธเนี่ยเราก็ต้องใช้เมตตาหยุดมันอืมเจ้ค่ะแถ้าเกิดความโลภแล้วหน้าบอ้นมมอสติอะไรเน่ยอยากแม่รู้อยากได้ที่ความคิดถึงความตายเนียหายอากอืมเจ้าค่ะอืมแล้วถ้าจิตมันเป็นปกติมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเราก็ใช้ลงผนัใจหรือใช้พุถโไป เจ้าค่ะอ่านี่คือวิธีใช้ใช้กรรมาฐานแก้ปัญหาของใจทําใจให้สงบใจเรามันบางทีมันก็ไม่มีปัญหาอะไรมันก็ไม่ต้องใช้อะไรเป็นพิเศษใช้ลมหายใจใช้พุโทโธรักสงบได้ก็ทําไปแต่บางเวลามันโกรธคนนัเกลียดคนนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับนั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้เพราะความโกรธนี่ครต้องใช้เมตตาต้องให้อภยัยอย่าจองเมตตจองกรรมกัน อืมเจ้าค่ะพอให้อภัยได้ไมนเจ้าเมยใจก็กลับมาเป็นปกติก็กลับมาดูนมได้ ก, กลับมาพูดโทนได้อนี้คือกรรมฐาน ต, ต่างๆที่เราใช้กันแล้วกระสินนะคะกระสินนี้ต้องก็เป็กระสินมันก็เป็นเป็นเป็นเครื่อง ม, มือเหมือนกันไหมก็เป็นกรรมฐานเหมือนกันอ๋อเจ้าค่ะแต่มันยากกว่าใช้ลมหายใจลมหาใจมันเป็นของที่มีอยู่เห็นอยู่สัมผัสได้ สิษีนี้ต้องต้องนึกขึ้นมาในใจนะเช่นสีขาวเนี้ยต้องนึกหลับตาแล้วให้ปรากฏมีสีขาวในจอภาพของใจเราใจเราต้องจินตนาการขึ้นอเจ้าค่ะตอนต้องก็ก่อนจะจินตนาการสีขาวก็เมืองตาแล้วก็ไปดูสีขาวเช่นมีภาพขาวก็ไปดูสีขาวพยายามจดจําสีขาวว่าเป็นไง แล้วก็มานั่งหลับตาแล้วก็พยายามนึกถึงสีขาวให้มันปราปกฏขึ้นมาในจรอเราการทำรย่องก็ทำให้เราต้องเพ่งทำให้เราไม่สามารถไปคิดเรื่องรู้เื่อดีได้ก็ทำให้ใจเป็นสมาธิได้เจ้าค่แะแต่ไม่ค่คามีใครใช้กันของพวกที่มันยากของง่ายๆส่วนใหญ่เราจะใช้พุทโธอันน ง, ง่ายเจ้าค่ะ มีคนบอกว่าพอถึงเหมือนกับว่าพุโทโรธหรืออะไรก็ตามอะกรรมาฐานอะพอไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วอะทุกคน่ะก็จะต้องเห็นเห็นดวงดวงแก้วหรือเห็นพระพุทธรูปแต่ว่าเขาไม่พูดกันจริงหรือเปล่าคะว่าไม่จริงค่ะไม่จริงไม่มีพระพุทธรูปไม่มีดงแก้วอ๋อไม่ไม่จาเป็นจะต้องเห็นด้วยใช่ไหมไม่เห็นมันไม่มีหรอกไม่มีดวงแก้วเห็นไมทำไเห็นนั่น เห็นกิเลสให้เห็นกิเลสให้เห็นอริยสัจสี่เห็นทุกขสมุทัยนี้รอดนะเห็นตายล้วเพราะฉะนั้นหลงหลงทั้งน่ะเห็นแก้วเห็นอะไรนั่งไปหลับตาไมันจะเห็นโซดาโผล่ขึ้นมาเห็นสกีดาคาโผล่ขึ้นมามันเป็นจินตนาการถ้าเราไม่เห็นอะไรเลยก็ดีแล้วใช่ไหมทำนั่งสมาี่ก็ไม่เห็นอะไรให้มันนิ่งให้มันว่างให้มันสงบกับความความว่างถ้าเห็นนั้น ต้องระวังนะมันกำลังหลอง น, นงนะเํามองทุกความหลหลอกนะเขาไี้ปรากฏขึ้นมาส่วนใหญ่เป็นของปลอมนะเพราะบางที่เขาจะมีแบบเหมือนก็นั่งแล้วเขาจะเห็นดวงแก้วเห็นอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยคนะเห็นเลยมันมีมัน ม, ม, นมีมันมีอาจารย์เยอะสมัยนี้ไม่อาจารย์รู้จบหรืไม่จบก็ไม่รู้นะบางทีเจ้าค่ะ ต้องใช้เราต้องยึดอภรณพระเจ้าเป็นอาจารย์ค่ะไปศึกษาดูมีมีลงกล้องลงแก้วเลยรนันแสดงธรรมจักรองคนสามิบแปดไม่มีหรอกเอาเป็นว่าถ้าไม่เห็นดีแล้วอันเนควเ็นถ้าเห็นอย่าไปสนใจอย่าไปตามอย่าไปหลงอย่าไปหลงเชื่อถึงที่เราเห็นเจ้าค่ะแล้วถามพระคุณเจ้าอีกนิดหนึ่งค่ะว่าทำไมบางที พระสงฆ์พระอาิะบุคคลต่างๆเนี่ยบางสายก็จะเผาบางสายก็คือเหมือนกับว่าเผาแบบเหมือนเหมือนเป็นกองฟอนเลยแนหะไม่สนใจอะไรเลยเผาอย่างนั้นเลยหรือว่าบางที่เขาก็ไม่เผาเขาเก็บไว้เก็บเก็บไว้ในโรงเลยแล้วเราก็เลยไม่ทราบว่าจริงๆเราควรจะดูแลครูบาอาจารย์หลังจากที่ละธาตุขาดเนี่ยยังไงถึงจะถูกต้องเจ้าคะ่ะก็ตามแบบว่ า, าพระพเจ้าพราพเจ้าบอกเก็บไว้เจ็ดวันแล้ว ก, ว, ว, ว, ว, วกเ็เผา อยู่ไว้เจ็ดวันแล้วก็เผาค่ะไม่ต้องเก็บดองไว้ถือว่าน้องไว้พระเจ้าตามมาเป็นเครื่องมือรอดใจคนมาทําบุญในวัดคะแนะพ่อพ่ อ, อยังอยู่ในโรงใส่โรงแก้วให้มากราบไหว้พระเ า, นนามาทำบุญกับพ่ออีกอ๋อถ้าไม่มีหลวงพ่อแล้วก็ไม่มีใครเข้าวัด น, นะสังเกตุในวัดกูบาร์จานดังๆพอทั้งเสียแล้ววันดงกะลางไป็นที่ขึ้นเนื่อง ออบางทียังมีประโยชน์ตรงนี้ได้อ่าจ้าวจารย์มันดองขายอา่ะเอาล่างกายของจามนดองขายทำมาหาตินต่อเจ้าค่ะแต่หลวงตาสั่งให้เผาเลยใช่ไหมคะหลวงตาถเผาท่านเผาเผาค่ะค่ะมดเเผาหมดแท้เหมือนสายพป่าจะจะเผาแล้วก็เหมือนตอนหลังก็คือจะเหมือนกับว่าแต่อันนี้อาจจะไม่ไม่ใช่ก็ได้แต่ว่าแต่เหมือนกับว่าเขาจะบอกกันอะว่า กระดูกลายเป็นพราธาตุอะไรอย่างเงี้ยถ้าเผาก็เอากระดูกที่เผาที่เหลืออยู่มาเป็นพระธาตุอยู่แล้วคนที่เก็บไว้ก็จะบอกว่าโอเคแบบเห็นเป็นเปลี่ยนละแปลสภาพแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนสายพระป่าอย่างเงี้ยค่ะอ่านั่นก็้แวแต่ภินิหารของพระาธาตุเจ้านคะครับเราไม่เห็นแล้วก็ฟังหูว่าหูไปแล้วกัน <c oughs> มันจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนมันก็ไม่ได้มาทําให้จิตเหราตายเข้าใจนะเจ้าค่ะ อมไม่ต้องไปสนใจฟังโอ้ยว่าโอ้ยก็ปล่อยปันผ่านไปก็จะเห็นในอินเตอร์เค็นพัฒนาเพิ่มแล้วคอนพัฒนหายอ๋อเจ้าค่ะเัราะนั่นก็มันแค่เป็นเรื่องของเจ้าหมายใช้การมาร์สุบฟังโอ้ยว่าโอใครก็จะพูดอะไรก็ฟังไว้ถ้าเราไม่เห็นกับตาไม่รู้กับกับใจก็ไม่ต้องไปสนใจไม่เกี่ยวกับเราค่ะ หมายถึงว่าถ้าเราไม่เห็นกับตาด้วยตัวของเราเองว่าพระธ<อ>าตุ น, นี้เป็นหรือเป<อ>ล่าไม่อย่างนั้นอาจจะเป็นเครื่องมือของบางทีอาจจะไม่ใช่ก็ได้คุณชานชีคชานหลอกเราเจ้าค่ะขอบคุณเจ้าค่ะไม่มีคําถามแล้วค่ะไม่ต้อมีปร ะ, ระทานุ้วถ้ามีใคเรเอาพระธาตุมาขายก็แสดงว่าลึกหลอกนะเจ้าค่ะอะพระธาตุทําะไรให้เราไม่ได้พระรธาตุปฏิบัติให้เราไม่ได้ฆ่ากิเลสเราไม่ได้ ต้องสติปัญญาสองตัวนี้นรี่ข้าดิเล็กขอเราเจ้าค่ะกลับขอประคุณเจ้าค่ะคุณชนะตาจัหวัดปราการวันนี้อยู่ที่หไหนเอ่ยวันนี้อยู่สุดปราการเจ้าค่ะพราาอะรอาจารย์อพราานะอาจารย์เพวันนั้นวันนั้นป่วยค่ะแล้วก็ไปนอนโรงพยาบาลเป็นหลอดลมอักเสบนอนในสามคืนคืนสุดท้ายคือสุดทไม่หับใจเราเป็น พระอาจารย์นอนไม่หับก็เลยนั่งสมาธิค่ะดึกแล้วค่ะพระอาจารย์ตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วอยู่ดีๆมันก็มันก็กลัวค่ะพระอาจารย์แบบว่าโรงพยาบาลคือคือตอนนั่งก็เงียบเงียบกริบเลยค่ะพระอาจารย์แล้วก็พยาบาลก็ไม่ได้เข้ามาในห้องนะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอความพอเงียบเนี่ยมันก็เริ่มมีเสียงกรอกแกะขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วมันก็คิดขึ้นมาถึงว่า ในโรงพยาบาลมีคนตายเยอะอะไรเงี้ยค่ะพะจะนึกไปถึงผีอีกแล้วค่ะพระอาจารย์ก็เราไม่มีสติหวั่นปูงแตกไปแม้วไม่พูดโทพูดโทหยู่มันพูดทางอ่ะพูดทางสลันงขชาติมีธรรมบางสลังขชาติ ม, าาามีปกติใช้ได้อรอบนี้ใช้ไม่ได้ค่ะพระอาจารย์เกรจะมักลัวมากพราะมันกลัวมากามันกลัวมากมก็กเลยรู้เลยว่า อย่างนี้ก็ไปนั่งป่าช้าไม่ได้ก็เลยรู้ตัวตเลยครับสติเรายังอ่อนยังยังไม่มีก<ช>ำลังพ อ, พอเอราจะความกลัวแรงๆครับว่าสู่ไปว่าใช่ค่ะพระอาจารย์ต้องพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไม่ให้หลุดเลยใช่ไหมคะพระอาจารย์พุโทโธ อ, อย่าให้อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวอย่าอย่าสนใจไปหาผีเลย <c oughs> พุโทโธก็แต่แต่ก็ดีนะคะได้รู้ค่ะไม่งั้นก็ยังคิด เพราะว่าตอนตอนตอนขึ้นเข่าว่าออกมาเดินได้ออกมาเดินได้ดึกๆอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าดีขึ้นตอนนั้นไม่คิดว่ามีผีมาแล้วไม่คิดว่ามีผีมันคงไม่กล่าวมตอนนั้นไม่ไม่แน่ใจว่าว่าคิดยังไงแต่ว่ามันก็เลยเหมือนว่าตัวเองกลัวน้อยลงไปมากแล้วหรือหรือไม่กลัวแล้วหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยค่ะพจั ใช่มันอาจจะไปอยู่ที่มันไปอยู่ที่มันมันค่อยๆค่อนข้างมั่นใจว่าไม่มีผีก็เลไม่กลัวเรอยูโรงพยาบาลบ้าปุ๊บคนตายเยอะที่นี่ความกลัวมาแล้วจริงๆก็เลยได้ทร <c ười> าบเลยค่ะว่าแบบยังไม่หมดยังมีแรงด้วยอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็ดีเวลามีอะไระมาทดสอบใจเราอยู่เรื่อยๆอยประมาท ค่ะพระอาจารย์แล้วก็มันที่ที่ลูกเคยแบบว่าปรึกษาพระอาจารย์ตอนที่ตอนนั้นทุกข์มากในเรื่องปัญหานั้นนะคะที่เป็นชุดใหญ่อะค่ะพระอาจารย์แล้วก็จริงๆมันก็ยังไม่ได้จบไปแต่ว่าจิตลูกมันสบายแล้วค่ะพระอาจารย์ทุกวันนี้ก็ยังอยู่กับตรงเรื่องนั้นอยู่อะค่ะพระอาจารย์แล้วก็กับคู่กรณีลูกก็ไม่ถือโทษไม่รู้สึกเอา่ารู้สึกแบบ ไม่ดีกับเขาอะไรเงี้ยไม่มีเลยค่ะพระอาจารย์ไม่มีเลยลุกใ จ, <ะ>ใจว่างใจ ว, าว่างอะไรเลยอะไรอะไตกค้างยังค่ะค่ะ <disks> ก็ก็ก็ก็ก็เลยให้แบบเออสิ่ง ต, ต่างๆมันดําเนินตามท้องเรื่องมันไปอะค่ะพระอาจารย์ลุกค่ทะทำหน้าจาัดสอนไปอะไรจะเกิดก็เกิดค่ะค่ะค่ะพระอาจารย์ก็ ต้องบอกว่ากราบขอบคุณครณูบาอาจารย์อย่างยิ่งเลยค่ะพระอาจารย์สาขา <g ül> <g ül> คือ <Okay. S 2> ดีใจมากไปมากเลยค่ะพระอาจ า, ายรย์ค่ะยาที่พักนี้ข่าวนี้ข่าวใหม่ข่าวากนี้จะาไว้เอห้ยังเดือนกลกฎาไปต้นเดือนเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์จะขอตลอดของสิงหาถึงปลายปีอ่ะค่ะเพราะว่าเออเออเ อ, อ, เ อ, อ ท่านที่เขาจัดให้ให้เขาบอกว่าต้องแบบค่อยๆจัดอะค่ะพระอาจารย์ค่ะก็เลยก็ก็ให้เขาจัดให้ลูกไม่ได้กําหนดวันเลยค่ะให้เขาเขาจัดให้อย่างเดียวเลยค่ะดีเพราะบางทีเราไม่รู้เฉพาช่วงไหนมันมันว่างช่วงไหนไม่ว่างค่ะพระอาจารย์ต้องเอาอันนี้เป็นเป็นที่ตั้งค่ะดีถ้าเราปล่อยให้มันแบบว่าเขาจัดให้เรานตามเราอาจจะได้ได้วันดาวตานที่เราต้องการได้ค่ะพระอาจารย์ค่ะค่ะ ขขแขน้ม่กล่าวพระอาจารย์ค่ะขอบคุณพระอาจารย์ที่โขเบจุบโขเบจกลับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอหนูได้กลับไทยสองอาทิตย์ค่ะพระอาจารย์แนนม่ไทยไม่กลับไปแล้วตอนนี้หนูอยู่ญี่ปุ่นแล้วค่ะพระอาจารย์หนูกลับมาตั้งแต่วันวันเสาร์ที่ผ่านมาถึงญี่ปุ่นวันอาทิตย์ตอนเช้าค่ะค่ะ ตอนที่กลับได้ปปฏิบัติธรรมที่วัดที่เชียงใหม่ด้วยค่ะพระอาจารย์รู้สึกดีมากเลยค่ะพระอาจารย์เพราะว่าได้ได้ได้เดินจงกรมได้ได้ฝึกเรียนเดินจงกรมแล้วก็ได้นั่งสมาธิตลอดเวลาเลยค่ะพระอาจารย์เป็นครั้งแรกก็งานไปก็เม่ค่อปฏิบัติถ้าเอยู่บ้านเราก็จะนอนเลยไม่ค่ยปฏิบัติ ค่ะแล้วแล้วที่นั่นนะคะเขาเขาจะไม่ให้ใช้โทรศัพท์อะคะ่ะเขาจะยุิโทรศัพท์ไว้ที่ที่ที่หน้าที่สำนัก ง, งานของเขาเลยอะคะ่ะพระอาจารย์ดีมากเลยค่ะพระอาจารย์เพราะเราได้แบบได้ปฏิบัติเต็มที่อ ะ, ค, ะค่ะรรพระอาจารย์นี่สมัยพระพุทธจ้าเขไม่มีโทรศพัพท์ไม่มีโทรศัพท์ค่ะเขาแต่บรรลุปเป็นบ้าลานกันเยอะแยะสมัยนี้มีมีโทรศัพท์เลยก็เลยไม่มบรรลุกันค่ะ แล้วก็ก่อนหน้าที่จะไปปฏิบาาาัติธรรมนะคะหนูได้ไปไปช่วยงานคือหนูก็ไม่ได้เป็นตัวหลักอะไรนะคะหนูเป็นแค่จิตอาสาค่ะหนูไปช่วยงานวัดป่าปางเกิดค่ะพระอาจารย์ไปงานหลวงปู่บัวเกศ น, นะคะอ่บ้านหนูอยู่เชียงใหนะบ้านหนูอยู่ลำปางค่ะจริงๆแล้วก็ไม่ไกลไม่ไกลค่ะก็<ม>ได้ไปเป็นครั้งแรกที่ที่ได้ ไปนอนวัดค่ะพระอาจารย์แล้วจริงๆแล้วหนูปกติไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เข้าวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นครั้งแรกเหมือนกันหนูสังเกตเห็นพระนะคะพระอาจารย์เวลาเขาทําวัดวัดเช้าวัดเย็นอะไรเงี้ยค่ะเวลาสวดมนต์นะคะหนูทึ่งมากเลยค่ะคือพระเขานั่งนั่งแบบไม่กระดิกอะค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์คะหนูขอสอบถามนิดนึงค่ะ การนั่งสวดมนต์แบบไม่แบบไม่ไม่กระดิกตัวเลยอ่ะคืออย่างเราปุตุชนเนี่ยเรานั่งสลับพับเทียบแล้วพับเทียบอีกเปลี่ยนด้านแล้วเปลี่ยนด้านอีกไม่ไม่รู้ตั้งกี่รอบแต่พระเขาจะนั่งนิ่งอย่างนั้นะการนั่งนิ่งนานๆอย่างเงี้ยเป็นการฝึกช่วยในการทำสมาธิด้วยหรือเปล่าคะแน่นอนแน่นอนก็เป็นการทำสมาธิแบบแบบอยาบๆคือแบบแบบ ใจไม่ไม่ไปเาอาอกเกับร่างกายใจใอยู่กับการสวดมนอย่างเดียวค่ะหนูหนูดูจากตรงนั้นคือแล้วหลังจากที่หนูอยู่วัดที่นั่นแล้วก็ไปวัดที่สองหนูสังเกตรพระหลายๆรูปคือเขาจะนั่งนิ่งเลยแล้วหนูก็นึกถึงพระอาจารย์ด้วยค่ะนึกถึงเทปพระอาจารย์ที่พระอาจารย์เทศนาธรรมที่ที่กุฏิเมื่อก่อนนะคะพระอาจารย์ก็นั่งพับเพียบไม่เปลี่ยนด้านเลยอ่ะคะ่ะ หน<ม>ูรู้สึกขึ้นมากเลยค่ะพระอาจารย์อืเวลาเทไปเพลนๆเรนไม่รู้สึกเรื่องรางกายอันนี้เรื่องร่างกายเวลาสวดมันก็จะลืมเรื่องางกายไปถ้าเราตั้งใจสวดลองฝึกดูสิลองฝึกหนึ่งไปค่ะหนูจะลองไปฝึกดูค่ะพระอาจารย์ทางนั่สวดไปแล้วตั้งใจสวดไปอต้องว่าสวดแบบที่เราไม่ต้องเปิดทั้งเสื้อดูสวดแบบที่เรา ดัได้อาจจะสั้นๆแต่ส่วนไไอะไรรอบก็ได้เึ่งทีปิพีโซนส่วนไปรอบจบนี้โดยที่ไม่ต้องพยาบามร่างกายหรือที่จทำได้เลยค่ะพระอาจารย์หนูจะลองดูค่ะพระอาจารย์หนูเห็นพระหลายๆรูปทําแล้วหนูรู้สึกชึ่งมากเลยค่ะ<ต>พระอาจารย์นีก็เป็นวิธีฝึกสติฝึกสมาธิไปแต่ยังไม่ถึงสมาธิขั้นศูนเป็นอย่างนเป็นสมาธิขั้นเริ่มต้น ถ้าจะให้มันขั้นสูงต้องหยุดสวดต้องนังน่งนับตาแล้วก็ดูลมหายใจเข้ า, อ, าออกหรือพุทโธไปค่ะกลับไทยไปคราวนี้หนูหนูดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าตอนทําวัดนะค่ะพระอาจารย์ที่วัดป่าบางเกื้อ น, นะคะพระอาจารย์ทําวัดเสร็จแล้วนะคะสวดมนต์เสร็จแล้วอะ่ะพระท่านก็จะปิดไฟหมดเลยแล้วก็จะนั่งสมาธิด้วยกันนะคะเป็ น, น, นชั่วโมงค่ะพระอาจารย์ทํำให้หนูรู้เลยว่าหนูอะ่ะ อ่อนดอยมากเลยค่ะพระอาจารย์เพราะว่านั่งไปสักพักนี่มันลืมตายเองหนูก็เลยดูไปทั่วเลยค่ะระอาจารย์มันหมดสติสติหมดกําลังตีมันอยากรู้อยากเห็นค่ะกําลังไม่ถึงค่ะเห็นแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่างน้อยเราก็จะได้รู้ว่าเรยเองต้องเรียนแล้วต้องทํำมากเราก็ยอย่าประมาทอ่มนี่ทันเชียอ่ม ตอนตอนที่ไปปฏิบัติธรรมต่อหลังจากไปปฏิบัติธรรมที่วัดอื่นต่อนะคะพระอาจารย์หนูได้ลองทําในสัตว์ชิคด้วยได้ด้วยคะ่ะพระอาจารย์อืมไม่นอนเลยเหรอก็ไม่นอนเลยคะ่ะพระอาจารย์แต่ว่าตรงกลาง ท, ที่ที่หนูปฏิบัติธรรมนะคะเขาจะมีเขาจะมีสอนนะคะเป็นเหมือนกับว่าการเอาเรียกว่าการไหวการเดินจงกรมแล้วก็การนั่งแล้ว เขาให้เขาจะให้การบ้านมาค่ะพระอาจารย์ที่ที่เป็นคนสอบอารมณ์อะค่ะเขาจะให้การบ้านมาว่าวันพรุ่งนี้จะต้องจะต้องเดินจงกรมสาสีนาทีแล้วก็นั่งสามสีนาทีคือต้องเดินก่อนแล้วก็จากนั้นก็นั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะติดต่อ ก, กันกี่ชั่วโมงเขาจะให้เรานับชั่วโมงไว้อะค่ะพระอาจารย์แล้ววันนั้นหนูก็ลองเดินจงกรมก็คือไม่ใช่ ลองในซัชชิกดูรู้ซิว่าจะเป็นยังไงเพราะเราอุตส่าห์ได้มาอย่างนี้แล้วถ้าสมมติเราอยู่บ้านทํางานอะไรเงี้ยเราไม่มีโอกาสได้ทําอย่างนี้หนูก็ลองทําแต่ว่าตอนกลางคืนค่ะประมาณตีหนึ่งเป็นต้นไปมันมันเกิดอาการง่วงอะค่ะพระอาจารย์หนูก็ไม่ได้ทําตามโปรแกรมเขาหนูก็เดินอย่างเดียวแล้วค่ะตั้งแต่ตีหนึ่งจนถึงจนถึงเวลาทําวัดเช้าอะคะ่ะตีสี่อะค่ะพระอาจารย์ก็ลองดูก็ดีกีดี ก็นนเ่อมันก็นั่ได้ไม่ไ้ ม, มแต่ว่าการนั่งมันจะหลับไปอ่ะงมันต้องนั่งเดินมันดีกว่าหลับค่ะก็เลยรู้เลยว่าถ้าทําในศ้อสชิกเนี่ยเราถ้าเราทํางานปกติหรือมาอยู่บ้านปกติแล้วราไม่ควรทําอย่างยิ่งเพราะว่าพอตอนเช้าทําวัดเช้าเสร็จติทําวัดเช้าตีสี่เสร็จประมาณหกโมงเช้าใช่ไหมจ๊ะคะก็ถึงเวลาทานอาหารเช้าแล้วอะ่ะพอทานอาหารเช้าเสร็จปุ๊บ ก็จะเป็นเวลาประมาณเจ็ดโมงก็จะต้องไปสอบอารมณ์กับพระอาจารย์ที่เขาสอนใช่ไหมคะว่าเราทํา่องเมื่อวานได้กี่นาทีอะไรเงี้ยพอหลังแล้วพอเราได้การบ้านจากพระอาจารย์ท่านนั้นมาแล้วอะ่ะมันจะเป็นเวลาพากักนะคะพระอาจารย์ก่อนที่จะถึงฉันเพลงช่วงเวลานั้นหนู่กลับไปนอนค่ะเพราะไม่ไหวนะคะพระอาจารย์รู้เลยว่ากําลังไม่ไหวก็ไม่ไหว <laughs> เป็นการทางครั้งแรกค่ะก็ได้ประสบการณ์ที่ดี ที่ดีมากๆค่ะหนูดีใจมากมาเลยที่ได้กลับไทยครั้งนี้อค่ะ อ, อยู่วัดตลอพราะสก็คือเราต้องอมาปฏิบัติต่อตอไหนว่างๆเรก็ต้องพยายามปฏิบัติให้ให้ให้มากหรือแม่แม่เนยชาติิกก็ไยยาปฏิบัติเยอะๆนี่หนูก็กลัวเหมือนกันนะคะว่าที่ที่ทําทํามาเนี่ยมันจะหายไปหรือมันจะเสื่อมลงนะคะพระอาจารย์ใช่เราต้องเอามาทำต่อไงถ้าไม่ทําต่อเนี่มันก็หายไปแล้ว แค่ประสบะการณ์แค่วันสองวันนั่นเองเรา้องเอ า, ามาทต่อให้มันยาวเป็นเดือนเป็นปีไถปถ้าเราทำได้ถ้าเราทำได้ในช่วงวันหยุดทดํางานหรือในช่วงแล้วก็เอามาปฏิบัติหมายเราไปอยู่ที่ที่สถ า, านที่ปฏิบัติค่ะพระอาจารย์หนูจะพยายามครับพระอาจารย์โอเคดีมากพยายามอยู่ไหนครับสําเร็จอย่างไรนะค่ะขอบพระคุณครั บ, รนะบพระอาจารย์โอเค ให้คนที่เ ด, ดิมาเดมาเชิญอยู่ที่ไหนกับนามัสการาค่ะผอาจารย์อ่าตอนนี้อยู่ดอนเมืองค่ะโอเคมีอะไรไหมค่ะวันนี้หนูขอสอบถามให้พี่สาวว่ะค่ะค่ะพอดีแกโด น, นเจ้านายเข้าใจผิดอะค่ะโดยที่แบบไม่ได้เรียกไปสอบถามความจริงหรืออะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า เขาพยายามวางเฉยแล้วเขาคิดว่าเวลาผ่านไปมันจะดีขึ้นแต่ว่าตอนนี้กลับแย่ลงก็เขาถามว่าควรจะทํำยังไงดีคะก็ถ้าคุยกันได้ก็คุยกันก็อธิบายก็วางไปถ้าคุยไม่ได้ก็ยอมรับเป็นกรรมของเราไปค่ะยอมหยุดเย็นดีที่สุดยอมรั บ, <อ>บกรรม<จ>อย่าไปอย่าไปต่อต้านต่อสู้ขเขาเลย ถ้าเขาถ้าเขาจงใจจะเกลียดเราจะไม่อะไรหราแ ล, แล้วเรายต้องไม่มีทาที่เราจะไปสู้อะไรกับเาขาค่ะแต่ถ้าคุยกับเขาได้ก็คุยไปถ้าเขาไม่ยอมคุยก็บอกเขาตัดสินเราว่าเราผิดร้อยเปอร์เซ็นแล้วเราก็ต้องยอมรับชะตากรรมของเราไปครับค่ะพี า, าจารย์ใจเราจะได้ไม่วุ่นวายค่ะเราต้องแก้ปัญหาที่ใจเราไปคนอย่างไรอย่าทำใจเราวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆไม่คุ้มหรอก มันมือหมายใจของเราไม่คมกับสิ่งที่เราได้ซวยยอมยอมเสียสิ่งที่เราควรจะได้แล้วเราใจเราสมบุกสมบันจะดีกว่าค่ะบอกบอกเขาว่าพยายามรักษาความสมบูรณ์ของจงใจไหมจะเสียอะไรก็เสียไปยอมเสียไปยอมอยู่เย็นค่ะอาจารย์ขอบคุมากค่ะเข้าใจนะค่ะเข้าใจค่ะเค มาที่คุนสี่ยอ5ห้ายอดเนี่ยตอนตอนตำรับห้ายอดลรืกับพระอาจารย์เจ้าค่ะก็ปฏิบัติบูชาเจ้าค่ะวันนี้ไม่มีคำถามค่ะโอเคไปที่คุณหมสุทาสนตตาอรรมชาริท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะไม่มีคำถามเจ้าค่ะโอเคยังปฏิบัติอยู่นะ ปฏิบัติอยู่ทุกวันเจ้าขาท่านพระอาจารย์สาธุจอยประเทียร อ, อยกราบน้ำมัส ก, การค่ะได้ยินหนูไหมคะได้ยินชัดเจนวาอะไรหนูไปหนูไปฟังเทศที่ฟังฟังที่บ้านกับที่วัดไปที่วัด ม, มันใช่ใช่นะใชค่ะมันรู้สึกเย็นสบายแล้วก็รู้สึกดีรู้สึกดีเล ย, เลยค่ะไปครัางงา้งแรกไม่เคยไปแนละ้ว หนูเคยไปตอนนั้นก่อนหน้านั้นตอนที่ยังไม่มีโควิดอะค่ะอ่าที่เมืองไใช่ค่ะแล้วก็ไปบุติข้างล่างสักไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่บ่อยอ่ะอแล้วเมื่อวันพานั้นก็เลยคิดว่าจะหาตะปางหรือจะหานี่คิดแล้วไม่เอาตะปางก็เลยไปฟังเงพลงใช่ค่ะ <laughs> <laughs> ก็เลยแบบเออไปฟังแล้วพอไปแล้วแบบมันเย็นสบายแล้วหนูไม่รู้ว่าตอหนูฟังอยู่อ่ะมันมันบุ๊บเข้าไปเลยหนูง่วงก็ไม่ถูก มันเหมือนมันเข้าไปปุ๊บมันก็มันก็ออกมาเงี้ยอ่ามันในใจมันสมอไม่สมอกก็หลัแล้วอย่างไรอย่นก็คิดอ่ว่าไม่งั้นก็หลับก่เป็นอะไรอย่างนั้นก็จะรู้ว่ามันดีมันดีไปทําเลยทําเทศทั้งมแต่ต้องมีที่ที่ที่ฟังเนาะที่หมอนะอพที่บ้านมันไม่หมอกเพราะมันวู่นวายใช่ไหมฟังทีวันใช่ค่ะ พอ<ค>กีคนนั่งสมาธิที่บ้านไม่ได้แต่มานั่งนั่งฟังฟังเทศพลงธรรมได้ทั้งชั่วโมงไม่ต้องขออยับมันรู้สึกถึงใจกว่าหรือยังไงไม่รู้มันถึงกว่ามันถึงก ว, ว่าอยู่บ้านเยอะเลยคดีก็มีออโอกาสเข้ามาเรื่อยๆนะค่ะค่ะหนูห้หหงกงังจะไปตลอดแล้วเดี๋ยววันพักเหมือไปไซบาตเหมือนเดิมวันเสาร์ใช่ไหมคะไม่รู้เหมือนกันนะมันสารวัตค่ะ ไม่สาวว่าที่เดียวันใดวันหนึ่งมันจะเป็นสาวนั่นแหลอสวค่ ะ, อะโอเคอคุณวีว่าหนึ่งเก้าแปดแปดอ่าพูดได้เลยจ้าอ่าพูดดังๆ่อยไม่ได้ยินเชียงอ๋อเหรอใช้บุฟวงมั์ไได้ยินไหมคะ ก็เอาไม่กี่วนกใกล้ๆปล้วอค่ะค่ะพระอาจารย์เออได้ยินแล้วว่ามีอ<ป>ะห น, หนูสุราษฎร์ค่ะอ่ามีอะไรไหมค่ะวันนี้ต้อไปตรวจสุขภาพมาค่ะพระอาจารย์อ่อ่าแต่ะเลแบบถูกจผ่อนหรือเปล่าฮะถูกจผ่อนหรือเปล่าถวงอนที่หนึ่งก็ืเปล่า ไม่ไม่ไม่ยังดียังดีอยู่ค่ะมันค่ะไปตรวจทั้งแรกก็มันมีทมีเวทนาแล้วก็อ๊ว่าจะจัดตัดตัดสินใจแล้วว่าจะยังไงก็ตัดก็จะจะผ่าแล้วว่าอย่างเน right. ี yeah. yeah. uh ้ยแต่ว mm. ่าไปถึงหมอว่าไม่ได้เป็นอะไรอะครับอาจารย์หนูเจ็บจ็บท่องน้อยอะค่ะพระอาจารย์มีอาการปวดช่องน้อยช่วงนี้ <_ an> จากแต่ข อ, อนูเป็นเต้านมเป็นถุงน้ําตอนนี้ที่เต้านมมันดีขึ้นเลยนะคะ <_ an> มันมันไม่จิบลแล้วแล้วมันมามาจิบท้างน้อยอียะค่ะพระอาจารย์ <_ an> โอ้หนูว่าหนูอยู่กับมาตลอดเลยอะคะ่ะพระอาจารย์ร <_ an> ากายเนี่ยเป็นเป็นเป็นกองทุกข์ <_ an> ใช่ค่ะพระอาจารย์ <_ an> แต่ว่าหนูหนูทำใจได้เยอะหนูว่าหนูหนูหนูพัฒนาขึ้นอะคะ่ะพระอาจารย์ หนูเป็นหลายโรคหนูเป็นแพนิกมาสิบห้าปีครับอาจารย์ช่วงนั้นช่วงใจตอนนี้ตอนนี้หนูหนูก็สู้อยู่ค่ะหนูหนูเจอกับอ่าเยอะมากที่ว่าตอนนี้หนูว่ากิเลสมาหนูว่าหนูกําลังเจออยู่แล้วก็ขันธามารที่หนูเจอที่หนูกําลังเจอแล้วก็มีเทวด อาตมาด้วยค่ะหนูหนูเจอแล้วก็มัจจุราชตมานด้วยว่าหนูกํำลังเจออยู่ค่ะอ่าใช่ทำเลสอดสูบค่ะค่ะท่าอาจารย์หนูก็พยายามแต่วันนี้หนูหนูลงโลกไปหน่อยวันนี้หนูหนูออกไปส่งกิตออกนอกหน่อยหนูก็เลยวันนี้จิตมันไม่ค่อยตั้งมั่นเช่าถ้าไหลช่วงช่วงหัวค่านี้อนุหนูไปดูเรื่องอะไรสาระเยอะไปหน่อยค่ะ เพมาหน่อยค่ะวันนี้อ่าเรต้องเลือกสติกับว่าใช่ค่ะพระอาจารย์หนูหนูว่าหนูพัฒนาขึ้นว่าจากว่าแต่ก่อนหนูคิดแต่ก่อนหนูเป็นเพนนิกใช่ไหมค่ะพระอาจาหนูหนูจะมีมิมตกมากแล้วก็มีเรื่องอะไรก็มันจะคิดเยอะอะค่ะพระอาจารย์แล้วช่วงนี้หนูหนูว่าหนูคิดหนูมีพัฒนาขึ้นอ่ะค่ะอาจารย์เพราะว่าหนู แต่ว่าหนูมีเรื่องวิตกที่ว่าคิดเยอะหนูต้องกินยานอนหลับเลยช่วงแต่ว่าช่วงนี้หนูสี่เดือนห้าเดือนแล้วที่หนูหยุดยานอนหลับได้โดยที่ว่าหนูหนูปล่อยวางได้หนูไม่คิดเยอะแล้วเพราะว่าอ่าแล้วมันได้กินยามาสี่สีห้าเดือนแล้วแหละยานอนหลับอ่ากินเลยใช้ธรรมะใช้สติคะใช่ค่ ะ, อคะโอเคไม่มีอะไรจะไม่มีอะไรแบบหนูหนูห น, หนูยังต้อง พิจาณาอยู่เรื่องเดียวตอนนี้หนูหนูยังบางวันก็หนูทิ้งไม่ได้ทําสมาะแล้วก็ถ้าวันไหนหนูหนูสังเกตว่าถ้าหนูไม่ได้ทําสมาธหนูหนูจะฟุ้งมากเลยหนูหนูจะมีมันร้อนร้อนในอกอะค่ะพระอาจารย์พยายามทำบ่อยๆทำสมา่ะจะพยายามพระอาจารย์ค่ะหนูจะพยายามค่ะจะพย า, า <Okay. S 1> พยามทาําทําไม่ได้ทุกวันหนูเดินจงกรมช่วงตอนเช้าอะค่ะพระอาจารย์ชจะใช้ เดินบนบนใบหญ้าเดินโดยใชไหเลยไม่ใ so ช so, so, so so, ้รองเท้าไม่ใส่รองเท้าค่ะสนุกสุดดีค่ะหนูจะพยายามเดินจงกรมถ้าว่านั่งหนูนั่งไม่ค่อยได้เยอะเพราะว่าหนูปวดปวดท้องน้อยหนูปวดมดลูกค่ะพระอาจารย์แล้วก็เมี่ยปวดต่อคอด้วยค่ะอาจารย์หนูปวดต่อคอด้วยนั่งนานไม่เยอะได้นั่งนั่งเยอะไปได้อ่ะคระอาจารย์ได้เดินจงกรมได้เยอะๆก็ดีค่ะพระอาจารย์โอเคนะในท่านี้ ค่ะกล่าวขอบคุณพระอาจารย์นะคะพระอาจารย์ได้กำมืนได้กำลังเกยกับพระอาจารย์มากเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้หนูถือศีลแปดได้ด้วยค่ะวันพระหนูถือศีลแปดทุกวันพระด้วยค่ะสบายดีค่ะทุกค่ะหนูกินข้าววันละสี่สองมื้อแล้วค่ะตอนเย็นหนูไม่กินค่สบาดีค่ะสบายดีค่ะสายุีค่ะสบายดค่ะเป็นมาเลยเป็นมาลยผู้จัการ ถามหลพค่ะมีก็ไม่ไม่มีคําถามอะไรค่ะอ่าเก่งแล้วรู้หมดแล้วทุกอย่างรู้หมดแต่ฟังฟังมันจะรู้ฉี่นะก็ก็ฟังแต่ว่ามันก็ยังคือยังยังไปไม่ถึงนะคะหลวงพ่อแต่ว่าก็พยายามพยายามอยู่รู้ว่าเราทำอะไรแล้วนะทําไม่ได้ัตอนนี้เราพยายามทําไม่ได้ มาได้ยินที่บอกว่าถ้าถ้ามีสติตั้งแต่ลืมตาจนกระทั่งหลับไปจนถึงวันใหม่ที่บอกว่าเจ็ดวันก็จบได้แต่ถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนเจ็ดปีอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อความหมายคือว่าต้องทำทั้งวันทั้งคืนเนี่ยใช่มัะเหมอนเหม่อไปอยู่วันเนี่ยไปอยู่ที่แบบที่บุญจุ้งก็ไปอยู่เนี่ยก็มีกราลาให้ปฏิบัติทั้งวันทั้งคืน แ, แล้วแช่วงเราต้องไปค้นจัดตารางของเราเองเราอยู่คนเดียวค่ะมันจะสลับกันเดินจะินบนั่งสมาธิเนี่ยนั่งแล้วไปเดินเดินแล้วก็นั่งแล้ ว, แ ล, ว, แ, ลวแล้วอย่างที่หนูไปที่เขาอะหนูทําทําทํา ท, ทั้งวันอนะนอนนิดเดียวอย่างเงี้ยแสดงว่าต้องไม่นอนเลยหรืนอเปล่อครันอนนอนสี่ชั่วโมงเป็นแบบสี่ชั่วโมง แต่ว่าเวลาหนูอาจจะไม่ไม่ถึงเจ็ดวันหนูได้แค่สี่วันห้าวันมันไม่มันไม่มันไม่สําเร็จเพราะมันมันยังไปไม่ถึงมันยังทำยังเก็บบาปบ้างได้ไม่หมดก่เลสมันเยอะข้อมูลยังไม่พร้อมอาจจะมีแค่สติสติก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์อัญญาก็ยังไม่ค่อยชัดเห็นอะไรยังไม่ตลอดเวลาต้องต้องเก็บ ให้ให้มากกว่า น, นี้อีกใช่ไหมคะหลวงพ่อพยายามทําใจให้สงบยิ่งเป็นอเบขาให้ได้เขา้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการแล้ ว, ลวออกจากสมาธิมาเราพิจารณาร่างกายว่าไม่ใช่ตัวเราของเราเน้นน้ำลุมไปกระเทียมเ<ค>จ็บตายปล่อยวางร่างกายให้ได้ปล่อยวางความเจ็บให้ได้เรา มันมันมีความรู้สึกว่ามันจะรวมอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อมันจะกลับมาเหมือนเดิมอีกอย่างนี้ค่ะหล่อมันจะรวมอยู่ตลอดเวลาแล้วเวลาเราโฟกัสไปตรงอะไรอ่ะมันก็จะรู้สึกมันมันชัดขึ้นอย่างเนี้ยค่ะหล่อมันจะรวมอย่างเมื่อกี้หนูนั่งฟังพี่ๆที่พูดกันเนี่ยคือหนูต้องหลับตาเพราะว่ามันมันไม่ได้แล้วค่ะหลวงพ่อมันคือมันบังคับหนูให ให้หนูสงบแล้วมันก็จะนิ่งสงบมือมันก็ดีก็ไม่เป็นไรสงบก็ใช้ได้ไม่เป็นอะไรแต่ไหนเราแต่ว่าถ้าจะไปให้ถึงอย่างที่ว่าอันเนี้ยมันคือหนูก็าลังสงสัยว่ามันต้องต้องต้องร่างกายไปเจอความเจ็บร่างกายไปเจอความตายแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่ามันไม่ิ้นตัวเราของเราปล่อยวาง ต้องมีเหตุการณ์เราทุกใจมันถึงจะได้ไม่ไม่สงบเอาไม่สงบเราตเราใช้ปัญญามาทำให้มันสงบสงบด้วยการปล่อยวางร่างกายค่ะช่วงที่มันหยุดวันที่ต้นเดือนนะคะที่หนูบอกหลวงพอว่าหนูไปอยู่อยู่วัดป่าค่ะมันตอนแรกที่หนูบอกว่ามันไม่มันไม่มันรู้สึกว่ามันตื่นจิตมันตื่นนะคะหลวงพ่ว่าหนูไม่เคยไปอยู่สภาพแบบไม่มีฟืนไฟแล้วมันก็ น่ากลัวมากค่ะหลวงพ่ อ, อ, อแล้วเราไปหาที่งั้นมาถึงนี่จะปัญญาใช้ปัญญาได้ค่ะแล้วมันก็อยู่อยู่ไม่ไกลจากที่ที่เผาโศพค่ะหลวงพ่อ อ, อแล้วพอความกลัวมันมันเกิดเนี่ยมันจะมีอีกอันหนึ่งมาบอกเลยว่าเรามาทําอะไรเรามาปฏิบัติตรงนั้นอะมันดับไปหมดเลยแล้วก็ประตูหน้าต่างอะไรก็ไม่ได้มีอะไรแบบแน่นหนามีแต่เป็นมุ้งรวดอย่างนี้นค่ะหลวงพ่อคือ คือมันหนูมีความรู้สึกว่ากว่าคืนแรกอย่างเงี้ยค่ะหลวงพอ่อมันเกิดปุ๊บเนี่ยมันมันมีความกลัวเข้ามาแต่พออีกตัวมาบอกเนี่ยมันตัดหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็ไม่กลัวเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วแล้วเสร็จแล้วพอคืนที่สองเนี่ยมีพี่เข้ามาถามว่าจะกลับไหมหมยหมายถึงว่าจะถอดใจไหมอะไรเงี้ยหนูหนูไม่ถอดหนูขอหนูขอต่อจน จนอยู่คบอะไรเงี้ยค่ะหลวงพอ่อจนคืนที่สองก็ปกติไม่ได้ไม่ได้มีความกลัวกับมีความรู้สึกว่าความรู้สึกตรงเนี้ยมันหาจากข้างนอกหรือว่าหาในชีวิตประจำวันมันหาไม่ได้คะ่ะหลวงพอ่อไอ้ความเ้าเรียกความอะไรนะคะความสงบรหรือความที่มันมีเวงมีเวงใช่ใช่คะ่ะหลวงพอ่อมันคือเราหนูไม่คิดว่าหนูจะไปอยู่ตรงนั้นได้แบบมันน่ากลัวคะ่ะหลวงพอ่อแต่ แต่เราก็อยู่อยู่ได้แล้วก็อยู่ด้วยความที่แบบให้เราเห็นสติของเราชัดเจนยิ่งขึ้ น, น, นค่ะก็ดีพยายามรับความกลัวตายให้ได้กาจัดความกลัวตายนะ้ได้ค่ะพ่อแล้วแล้วก็ววไปแก้ความกลัวเจ็บที่ต้องไปไประชปันกับความเจ็บความความกลัวเจ็บตรงนี้หมายถึงว่าร่างกาย ป่วยไข้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับถึว่ า, าความเจ็บทุกเขเปทนาป่วยไข้ก็ได้นั่งสมาธิเป็นนานๆ น, นั้นเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็อย่าไปกลัวไปันอยู่ประมาณไปค่ะแล้วพอหลังจากที่หนูออกมาจากสมาธิแล้วอ่ะหนูมาย้อนดูในในจิตในใจลึกๆหนูอ่ะยังมีอะไรที่มันค้างคาอยู่ไหมอะไรอย่างนี้ยคะ่ะหลวงพ่อพิจารณาอย่างนี้ได้ไหมคะหมายถึง ให้รักชังกลัวหลงที่หลวงพ่อสอนนะคะดูเรายังติดอยู่กับใครหรือเปลยังติดอยู่กับโลกติดอยู่กับสามีติดอยู่กับพ่อกับแม่หรือเปล่าติดอยู่กับสรัพยสมบัติติดอยู่กับอะไรหรือเ่าติดอยู่กับล่ามกายหรือเปล่คุณต้องโทษถามตัวเองกันไปไล่ไปขังหลวงพ่อถ้าติดตรงไหนก็ต้องตัดให้ได้ขังหลวงพ่อแล้วแล้วหนังสือที่หลวงพ่อคดไปอ่ะที่ ที่พิจารณาตั้งแต่ผมที่ที่หนังสืออะไรนะคะทาตาสติค่ะตอนแรกหนูว่าไม่ยังยังไม่เข้าถึงใจตรงที่บอกว่าเอผมขนเราจะดูยังไงให้มันให้มันเบื่อให้มันหนายอะไรเงี้ยหนูยังมองเห็นว่ามันยังเป็นเส้นอักสระผมมันก็สะอาดดีแต่แต่พอไปดูหนังสือที่หลวงพ่อโพดอนะ่ะพอซูมเข้าไปอย่างทั้ง200เท่านะมันถึงหนูถึง ถึงบางอค่ะหลวงพ่อว่าจริงๆแล้วมันมันไม่ได้สะอาดมันไม่ได้สวยงามมันมันอยู่กับสิ่งที่สกปรกในร่างกายเราทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วแล้วแบบเนี้ยเราต้องดูบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆใช่ไหมคะหลวงพ่อมันถึงเราจะเราจะไปเราจะไม่เป็หลงเป็หลงไปชอบค่ะหลวงพ่อคนหัวได้ อะไรนะคะหลวงพ่อโค่นหัวได้หนูมีความรู้สึกว่าผมเป็นภาระาของหนูค่ะหลวงพ่อได้ไดโค่นหัวได้ค่ะหรือตัดให้มันสั้นไปหนูตัดเองค่ะหลวงพ่อไม่ไม่เคยเสียดายเลยค่ะหลวงพ่อตัดเองตัดทิ้งไปให้มันแบบอยู่แบบง่ายๆค่ะแต่เวลาไปทํางานก็ต้องอีกแบบหนึ่งนะคะหลวงพ่อก็คือให้ให้แบบเรียบร้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็แล้วแต่ ใน น, นั้นแต่การละเทศะมีนยังมีความจะเป็นตาเท่าสังคมก็ต้องทําตัวให้มันเหมาะสมกับสังคมค่ ะ, คะแล้วที่ผลของการที่เราปฏิบัติภาวนาอย่างนี้ค่ะเพราะมันมันมันทําให้เรามองเห็นอะไรหลายๆอย่างแล้วมันมีความรู้สึกว่าเบื่อแล้วก็ต้องเป็นภาระหน้าที่อย่างเนี้ยมันมันเห็นถูกใช่ไหมคะหลวงพ่อถูกครับถูกครับไม่มีสาระอะไรอยู่กินกันไปวันมัน่างนี ใช่ใค่ะหลวงพ่อมันเห็นเห็นแบบนั้นแล้วมันก็ Finanz, เบื่อดูธรรมะไม่ได้ได้ธรรมะแล้วมันทําให้จิตใจเรามีความอบอุ่นมีความสดชื่นเบิกบานมีความสดแล้วเวลาช่วงที่เรามีความรู้สึกเบื่อแบบเนี้ค่ะหลวงพ่อมันจะหันกลับเข้ามานั่งปฏิบัติอย่างเนี้ยถือว่าถูกถูกแล้วใช่ไหมเวลาโลกเราเข้าหาความสงบดีกว่าลดแห่งธรรมชนะลดแห่งปวน แล้วอย่างหนูปฏิบัติตอนเช้าเช้ากลางคืนพรพอนอนไปเสร็จเดี๋ยวประมาณตี 1, ต 2, หนึ่งตีสองหนูหนูจะตื่นขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยหนูก็มานั่งอย่างเงี้ยค่ะหลวพอ่อีนอนน้อยดียิ่งนอนน้อยเท่าไรได้ดีปฏิบัติได้มากขึ้นยิงดีค่ะแล้วพอถึงเวลาตื่นไปทำงานช่วงช่วงหนึ่งพอไปถึงออฟฟิศหนูก็ต้องไปปฏิบัติคืนมัน หนูกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วอะค่ะหลวงพ่อก็ไม่เป็นไรไม่เสียหายอะไรการปฏิบัติไม่เสียหายค่ะก็จะมีช่วงแค่เวลาที่นอนสี่ห้าชั่วโมงแค่ตรงเนี้แล้วแล้วแล้วก็เวลาทํางานเวลาทํางานประจําวันอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่ออย่างที่หนูเรียนหลวงพ่อมันมันจะมีรวมอยู่ตลอดอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่ออ่าดีมีทำใจให้สงบไปตลอดฝันค่ะ เเวลาวันวันนี้กลับเรียนหลวงพ่อเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสาธุค่ะอ่าหมายอาไปเพนซิลเวเนียุณฑมชัยอ่ากลับท่านหลวงพ่อท่านอาจารย์ครับก็คือผมได้ยิน ที่ท่านหลายท่านเขียนแล้วดาวน์โหลดหนังสืออะไรกตาสินสสร้างสองไหฮะหนังสือสร้าง ส, งสองครับอ๋อโอเคก็คือที่บอดผมผมจะเจ้ายังไงดีนะกันเดผมคิดว่าเอาไว้ เอาไว้่อนเไว้กยังไม่พอมยไม่อยากก็ดูศาสตร์ศกไม่เป็นไรไม่ได้บังคับไม่ได้พาวิชาบังคับอ๋อออปชั่นเป็นออชั่นเดูว่าได้ไม่ดูว่าได้ครับตอนนี้ผมอยู่ใน s c h o o ูกำลังจะเข้าไปเห็นหลายท่านเข้าไปถึงอันดับานอยู่ยังยังไม่ถึงชั้นนะยังไม่ได้มาดีกรีแล้วผมก็เลยคือ ในในประวัติในพื้นฐานผมเป็นเป็นเด็กปวชร้างจากขอนแก่นหลังจากนั้นก็มาที่นี่ก็มาเรียนที่นี่ก็เลยใช่แต่พวกมีกระผมก็เลยลืมลืมบางภาษาครับอันนี้ก็ก็เลยก็เลยใช้เขียนก็ไม่ถูกอะไรก็อธิบายก็ลำบากก็ผมก็ยังพยายามจะ เข้าไปให้ถึงอย่างที่ท่านเดินไปนะฮะอย่างที่ท่านสอนครับทําไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ไปถึงเองครับขอบคุณมากวนนี้ไม่มีอะไรวะครับแต่ขอบคุณมากวันนี้คนดที่สีราชาต่อคนดีจำน้ำมัสการท่าอาจารย์เจ้าค่ะลุกไม่มีไม่มีอะไรนะวันนี้คนวันนี้ไม่ได้ใสชุดทํางานนะ กลับบ้านมาแล้วก็ฟังพ่อจารย์อยู่ข้างนอกแป๊บหนึ่งแล้วก็อาบ น, าน้าแล้วก็มาค่ะโอเคสบายดีนะสบัยดีเจ้าค่ะโอเคใครทีกกก่กรุเกิดอ่านเกิดพิษสัตว์ชนกนพิษสัตว์ชนครับพ่อจนันพ่อาจารย์้ยินเสียงผมไหมครับชัดเจนเชิญแล้วโอเคไม่ได้ออกมาฟังหลายสัปดาห์เลยอ่าไไพ่อจย์สบายดีไหม อ่าก็ดีบ้างไม่ดีบ้างตามตามเรื่<า>อยๆนะครับเรื่อยๆเนาะก็ส่วนส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติมากกว่าสารุไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็<ใ>นไรแต่มี ม, มีมีนิดนึงครับมีมีปรึกษาพระอาจารย์นิดนึงที่ว่าที่ตอนนั้นพูดค้างไว้ว่าการปฏิบัติมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งที่ไม่เหมือนกับในตำราแต่ว่า มันมันมันสัมพันธ์กันตรงที่ว่าที่พายอาจารย์สอนถูกต้องเลยครับวันนั้นผมไปปล่อยปลาไหลนะครับพายอาจารย์ mm hmm. ผมก็นึกนึกถึงคําสอนพายอาจารย์ที่ว่าความสุขในโลกใบนี้ยมันก็เหมือนกับเราจับปลาไหลจับแป๊บเดียวก็หลุดมือหลุดมือหลุดมือความสุขที่มีในโลกนี้ก็ไปเดี๋ยวไาด่าวแล้วก็มีความทุกข์ตามมาผมก็นึกในใจแบบนี้ตอนก่อนจะปล่อยปลาไหลออกไปนะครับ แล้วก็แล้วก็ร่วมอนุโมทนาในอัตราพของเทวดาหรือใครก็ตามที่พอจะรับฟังธรรมของพ่ออาจารย์ตรงนี้ได้ก็ให้เป็นประโยชน์ถ้าไม่ถ้าถ้าไม่ยังไม่ได้ก็ให้เป็นปัจจัยให้ถึงมริคพันธ์ความสุขในโลกนี้มันเป็นความสุขแค่ชั่วคราวที่จากพ่ออาจ า, ารย์พูดจริงๆครับตอนที่ปฏิบัติธรรมมาตลอดเนี่ยก็ได้สัจธรรมที่แท้จริงของพ่ออาจารย์ได้มาสอนใจตัวเองก็ทําให้เกิด ปัญญาเห็นเห็นได้ให้เห็นได้ได้มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาว่ามันมันไม่มีแกนสารอะไรเลยในโลกนี้มันมเป็นอนิจจังทุกขังนัตตาให้ที่ยังทุกข์ไม่ใช่ตัวตนขอให้เห็นตลอดเวล า, าแล้วกันใช่ๆช่แล้วแล้วพอเราปฏิบัติได้จริงๆนะครับอาจารย์เราจะรู้เลยว่าเออนี่เรามาถูกทางแล้วนะ ขัดเกลอกิีใจด้วยทานศีลภาวนาเริ่มจากทานเหมือนน้ําศีลสมาธิเหมือนผงซักฟอกชนิดธรรมดาชนิดเข้มข้น<ม>เราจะได้กลิ่นฟอกเหมือนที่คุยกับพระอาจารย์ก่อนหน้านี้แล้วมันจะฟอกใจเราให้สะอาดขึ้นเรื่อยๆ<ม>จนถึงขั้นปัญญาก็คือพิจารณาธรรมที่พระอาจารย์สอน ม, มันจะเหมือนกับใจเราใจเราเนี่ยมันไม่มีกิเลสแล้วกิเลสมันไ ม, ม, นไม่มันไม่มีเหลืออยู่แล้ว ก็เหลือแต่เพียงทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดมันมันจะรู้ด้วยมันจะรู้และเห็นได้ด้วยตนเองครับแล้วก็แล้วก็บันไดที่ขั้นสูงสุดก็คือจะเห็นอันนี้เป็นความความเชื่อส่วนบุคคลนะครับจะเห็นพุะพุทอยู่หน้าประตูแต่ว่ามันจะเป็นสีทองแล้วก็มีคนอยู่ในวัดมีมีคนที่ถึงนิพพานจริง อยู่ในวัดสีทองอะไรจ่ะเป็นเป็นเป็นสีทองแล้วก็มีคนนั่งไหว้พระอยู่ก็ใช้ชีวิตเหมือนปกติเหมือนมนุษย์ทั่วไปอันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะครับไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ให้เชื่อหรือหรือไม่เชื่อนะแต่ขั้นขั้นสุดท้ายก็คือเหมือนเราเข้านิพพานไปบ่อยเราเราถึงแล้วแล้วก็พยายามเข้ามโนมายิที่เหมือนพี่หลวงพ่อขอขอขอนุญาตหลวงวพ่อหรือสีลิงดามาจา่ะ ท่านบอกไว้ว่าถ้าเข้าได้แล้วก็ให้เข้าไปเป็นบองไม่เป็นสีทองก็ับพีออ่อาจารย์ดีโอเคนะเอาท่านนี้ก่อนนะนไปมืาสามรูปนะครับโอเคตอนนี้เข้าไปที่รูปสำหรับคําถามเพื่อนดูก็อยู่ทุกับนามสการค่ะคืนนี้มีทั้งหมดห้าคำถามตอนนี้ที่เข้ามาค่ะค่ะคําถามแรกจากคุณ p ีเอค่ะกราบนามสการครับผมมีความทุกข์ซึ่งเกิดจากเหตุในอดีต หากผมไม่ยึดมั่นมันก็ไม่ทุกข์แต่หากนึกหรือคิดถึงเรื่องเดิมๆ ม, มันก็ทุกข์อีกขอคําแนะนําด้วยครับทรมานมากพิมพปรึกษาท่านทั้งน้ําตาครับเอาเวลาจะนึกก็หยุดมันด้วยพุทโธนะเอาจะนึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้กับพุโทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้มันนึกนึกก็เดวมันก็จะเศร้าคำ ถ, ถามต่อไปจะคุณเที่ยวไปเรื่อยๆค่ะ พระโอนเงินทางแอปธนาคารจะผิดศีลกว่าพระห้ามจับเงินไหมครับก็มันไม่ได้จับเงินอยู่ดีแอปเนย่อมไม่ไม่ใช่เป็นตนัวเงินคำถามต่อไปจากคุณออนอนงค่ะไม่ค่อยได้ไปทำบุญที่วัดแต่ทำบุญกับโรงพยาบาลและบริจาคช่วยเด็กเป็นรายเดือนมา20ปีแล้วแบบนี้จะได้บุญไหมคะได้บุญเหมือนกันทาที่วัดเรือทที่โรงพยาบาลเรือที่โรงเรียนเรื่องที่ไหนก็ได้ คำถามต่อไปจากน้องหลินหลินค่ะราชาคะ่ะก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องเสียเลือดสาเหตุจากฮอร์โมนคุณหมอไม่ผ่ามุดลูกเพราะว่ามีผ่าตัดหลายระบบหมอไม่ผ่าเรื่องที่เสียเลือดมาเป็นปกติแต่กลายมาเป็นป่วยไอทีปัจจุบันหนูร้องไห้และอิจฉาคนที่ตายแทนค่ะตายง่ายจังหนูยอมรับตัวเองเป็นบุคคลประหลาดวันนี้นอนภาวนาอย่างเดียวเจ้าคะ่ะ นอนสบายกว่าตื่นตื่นมาก็ไอหนูซ้อมตายทุกวันเป็นพยาบาลเป็นหลายโลกและเสียอวัยวะเยอะมากค่ะหนูลองไห้และอิจฉาคนตายอันนี้คืออารมณ์อะไรเจ้าคะเรืองทุกข์ทุเละเนี่ยบางอยากจะเน้อยากความทุกขต้องเบี่ยงเบนอีกนุมนหนึ่งว่าคนตายปฏิบัติทําไม่ได้มันเป็นเท่านั้นที่จะปฏิบัติทําได้นะต้องถือว่าเราดีกว่าคนตาย ไอ้กเลสมันจะหลอกเราให้เราอยากจะเป็นเหมือนคนตายเพราะตอนนี้เราทุ่มร่างกายมันทุ่มแรงมันก็มันก็อยากตายอันนี่เป็นความคิดของกิเลสอยากปให้มันคิดอย่างนี้เราต้องลองในแง่ของธรรมว่าเมื่อเรายังมีร่างกายอยู่เราอยัางสามารถปฏิบัติธรรมฆ่ากิเลสได้ดี่กว่าคนตายตายแล้วก็ำทำอะไรไม่ได้แล้วทันที่ ค่ะคำถามสุดท้ายจากคุณสตูดิโอวันค่ะเดี๋ยวนี้พัฒนาไปมากเลยผมนึกว่าจะฟังพระเทศในวัดเท่านั้นแต่เดี๋ยวนี้ใช้ฟังธรรมออนไลน์ใส่บาทออนไลน์ได้ไหมครับหลวงพ่อได้มีแม่ค้าเมีไลน์สามารถไปติดต่อเขาแล้าสั่งอาหารที่จะถวายตอนเช้าเขก็จะถวายอา ห, หารแล้วมาถ่ายรูปส่งาให้เราดู หมดแล้วค่ะอาจารย์ค่ะโอเคนะอันนี้เป็นการบะชาสัมพั์ให้พ่อข้าแม่ข้าเพราะมีรายได้นะอย่าว well> ่ากันนะก็ขอก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านรองนำเอาสิ่งที่ท่านยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถอ